ก็ต่อไปบรรยายในเรื่องของบารมีต่อเนาะทีนี้การบําเพ็ญก่อนที่จะถึงอุบเบกขาบารมีเนี่ยก็มาต้องทำความเข้าใจในเรื่องของบารมีแต่ละอย่างพอสมควรเราได้พูดถึงในเรื่องของทานบารมีคือเจตนาที่จะบริจาคตนเองและอุปกรณ์ต่างๆโดยมีความกรุณาและก็มีอุบาย อุปายะโกศลก็คือปัญญานั่นแหละกำกับก็ม <ongs kilograms. S 1> pues. ีการสละมีการกําจัดโลภะมิทายธรรมมีความปรากฏก็คือความไม่ยึดติดมีพื้นฐานก็คือวัตถุที่คนบริจาคแต่ศียรบารมีก็คือความประพฤติทางกายวาจาที่มีความกรุณาและอุบายอุปายะโกศลที่เป็นไปด้วยปัญญานั่นแหละกำกับอยู่ แล้วก็ด้วยการงดเว้นสิ่งที่ไม่ควรกระทําและมีความตั้งใจกระทําในสิ่งที่ควรกระทําเป็นต้นฉะนั้นตัวศีลก็ต้องมีความสมาธานนี่แหละเป็นลักษณะแล้วก็กิจของศีลบารมีก็ทำลายความทุศีลความไม่มีโทษก็เป็นอาการปรากฏความสะอาดทั้งหลายก็มีฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ เน่คําว่าบารมีก็คือการมีจิตคิดออกจากกามออกจากภพการเห็นโทษของกามและเห็นโทษของภพทั้งหลายก่อนก็ได้มี ก, ก, ก, ร, ก, ม ก, ก, มกรุณาต่อสัตว์และก็มีอุปา ย, ยโกศลคือความฉลาดเป็นตัวกํากับในการเจริญสังเกตถูกไหมปัญญาและกรุณาจะกํากับบรารมีทุกข้อเนื้ลักษณะก็คือการออกจากกามออกจากภพเป็นลักษณะกิตของ นเนกรรมะก็คือการประกอบด้วยมองเห็นอนิจจตาทุกตาหน้าตาทั้งหลายอะไรเนี่ยปัญญาบารมีคือการรอบรู้การอย่างรู้เหตุผลเข้าใจสภาวะสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงฉะนั้นผู้มีปัญญาก็เป็นที่พึ่งของคนทีทั้งหลายเป็นต้นได้และบัณฑิตที่แท้จริงนอกจากไม่คิดทําชั่วแล้วก็จะไม่คิดทรยศต่อผู้มีบุญคุณปัญญาก็คือมีความรู้ลักษณะก็คือ ความเป็นผู้ที่แทงตลอดสภาวะทั้งหลายเหล่านี้บา ร, รมีแต่ละข้อแต่ละข้อจะต้องมีปัญญาและกรุณาเป็นตัวกำกับหมดเลยนะวิริยะบา ร, รมีการขวัขวายทำประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยกายวาจาใจก็มีทั้งกรุณาและอุปายากุศลเป็นตัวกำกับเหมือนกันขันติบา ร, รมีคือการเกิดขึ้นของจิตความตั้งใจที่จะอดทนต่อความผิดของอันสัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว ก็มีความไม่โกรธมีความไม่โกรธเป็นใหญ่โดยมีกรุณาและอุปายากศสนความฉลาดนี่แหละกำกับลักษณะของขันติก็คือการข่มสามารถข่มบาปอบทนได้กิจของเขาคือความอดทนต่อสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจสภาพที่ปรากฏคืออะไรสามารถอดกั้นต่อความโกรธได้เป็นพื้นฐานอะไรเป็นเหตุใกล้ความเข้าใจตามความเป็นจริง ปัญญานี่แหละสัจจะบา ร, รมีคือการไม่กล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเว้นจากการกล่าวบางอย่างเป็นต้นก็มีกรุณาและอุปยโกรุสนกำกับเหมือนกันฉะนั้นลักษณะของสัจจะบา ร, รมีก็มีการไม่พูดผิดจากความเป็นจริงกิจของสัจจะบา ร, รมีการกระทําตามความเป็นจริงให้แจ่มแจง้งสภาพที่ปรากฏคือความดีความถูกต้องมีพื้นฐานมีเหตุใกล้ก็คือความยินดีในธรรมัญงาม อธิษฐานบา ร, รมีก็คือความตั้งใจสมาทานอย่างไม่หวั่นไหวก็คือความตั้งมั่นที่เป็นไปโดยอาการต่างๆกำหนดด้วยกรุณาและปัญญานี่แหละเป็นอุ บ, บายเป็นตัวกำกับลักษณะคือความตั้งมั่นในโพธิสมภารทั้งหลายการตั้งมั่นที่จะบรรลุให้ได้กิจก็คือการขจัดปฏิปกะธรรมที่จะขัดขวางการบรรลุธรรมสภาพที่ปรากฏคือความไม่หวั่นไหวมีอะไรเป็นพื้นฐานล่ะโพธิสมภาร โพธิสมภารในที่นั้นคือสัมภาระในการที่จะแบกหรือในการที่จะขวนขวายกระแสชีวิตตวเองให้ไปถึงโพธิให้ได้โพธิสัมภาระสัมภาระก็คือขันธภาระเนี่ยจะแบกขันธภาระเนี่ยในการบําเพ็ญบารมีจะยังไม่นิพพานก่อนถ้าตราบใดยังไม่เข้าถึงอนุภาธาปยยังไม่เข้าถึงสัมมาสัมพุิธญาณโอ้โหนี่หนักนะจะไม่ยอมนิพพานอย่าง ภาษา v o ทั้งหลายจะไม่ยอมนิพพานอย่างพระปเจกทั้งหลายเนี่ยโอ้ต้องทนไหมทั้งๆ ท, ที่สามารถนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องทนเนี่ยนะทนแบกทับเอขันพาระพวกเราก็ทนแบกไหมเนี่ยทนไม่ทนทนเหมือนกันแต่ทนแบกแบบไม่รู้เรื่องรู้รา่าเนี่ยช่ามันให้ต่างกันเนีเมตตาบารมีก็มีจิตใจไม่ประทุษร้ายมีความปรารถนาที่จะนําประโยชน์สุขมาให้แก่โลกอันมีความกรุณาและมีปัญญา หรืออุปาญกุศลความเป็นผู้ฉลาดนี่แหละเป็นตัวกำกับลักษณะของเมตตาที่ว่าไปเมื่อวานนี้คืออะไรคือความเป็นไปเพื่อประโยชน์กิจของเมตตาแหละนำประโยชน์เกื้อกูลไปให้แก่สัตย์เป็นกิจจรัสสะการนำออกซึ่งความอาฆาตนำออกซึ่งความเบียดเบียนนำออกซึ่งความโกรธก็เป็นอาการปรากฏอะไรเป็นเหตุใกล้ บอกว่าความที่มองเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นที่น่ารักนี่เป็นพื้นฐานเห็นความพอใจของสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเอาทีนี้อุเบกขาที่เรากำลังจะพูดกันในวันนี้ต้องทําความเข้าใจให้ชัดนึ่ตัวอุเบกขาบารมีเนะี่ยคือการดําเนินไปอย่างสม่าเสมอในความปรุงแต่งของสัตว์ทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันขัดจัดนะขัดจัด คำว่าขาจัดในนี้ขจัดอะไรอ่ะสามารถขจัดอนุนยะศับเนี้ยนั่นแปลว่าอะไรการคล้อยตามและกำจัดปฏิฆะความกระทบความติดขัดเออเนี่ยอุเบขาเนี่ยยากตรงนี้แหละที่ว่าไม่ให้ความพอใจเกิดและไม่ให้ปฏิฆะเกิดต้องขจัดคอยขจัดความพอใจและความเครียดความติดขัดเนี่ยโดยมีความกรุณาและ อุปายะโกรุนปัญญาเนี่ยเป็นตัวกำกับฉะนั้นลักษณะของอุเบกขากขาเลยเป็นการวางเฉยเป็นกลางกิตของเขาก็คือเห็นการเห็นความเสมอภาคของสัตว์ทั้งหลายนี่มีสิ่งปรากฏการสามารถสงบระงับความขึงเครียดหรือการประจักษ์ชัดว่า หรือความพอใจทั้งหลายเหล่านี้ให้สังเกตดูนะบารมีข้อนี้เขาจะขับเน้นไปที่กรรมนะเห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรมเดี๋ยวจะไปแจกแจงรายละเอียดเดี๋ยวก่อนที่จะแจกแจงในรายละเอียดเนี่ยจะให้ดูแนวคิดในเรื่องของเวรคานิดนึง สาระของคําว่าอุเบกขาเนี่ยหรือบรารมีให้ชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากบรารมีข้อนี้ก็จะต้องทําความเข้าใจค่อนข้างชัดอุเบกขาเนี่ยมาจากคาว่าอุปปอุป ะ, ปะนี่เป็นอุเรศกเป็นอุสเรศก็แปลว่าเข้าไปแล้วก็และอีกขาดอิขาดธาตเนี่ยนะแปลว่าเห็นแปลว่าดูแปลว่าเพ่ง จึงมีความหมายว่าอุเบกขาจึงมีความหมายว่าเข้าไปเพ่งเข้าไปพิจารณาเนั้นเป็นรูปกิริยาก็จะแก่อุเบกขาก็หมายถึงการเข้าไปเห็นเข้าไปเพ่งเห็นก็ได้เพ่งก็ได้ดูก็ได้พินิษก็ได้เ อ, อือนเป็นแปรลักษณะว่าไปเห็นไปเพ่งไปดูไปพินิษยังไงก็ว่าธรรมชาติใดพิจารณาในสัตว์ทั้งหลายพอประมาณด้วยการที่ไม่รัก ด้วยการที่ไม่ชังคือสลาความวุ่นวายที่เนื่องด้วยเมตตาที่เนื่องด้วยกรุณาที่เนื่องด้วยมุทิตาเช่นว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นต้นและจงมีสภาพเข้าถึงความเป็นกลางฉะนั้นธรรมชาตินั้นเชื่อโอเบขาพวกนี้ชัดไหมปแปลว่าอะไรอ่ะโอเบขาเนี่ยไปรักปรารถนาดีเอือ้อทอนนี้เป็นอเบขาไหมนี่เป็นอะไร เป็นเมตตาถ้าสงสารคิดจะช่วยพ้นทุกข์เป็นเป็นกรุณาพอยินดีเมื่อบุคคลประสบความสาเร็จมุทิตาฉะนั้นคนที่จะเจริญอุเบกขาได้ต้องสละสามอย่างนี้ออกไปจะไปรักปรรถนาดีก็ไม่ได้จะเป็นกุณาสงสารก็ไม่ได้และต้องเป็นพอยินดีก็ไม่ได้ก็คือต้องพิจารณาในสัตว์ทั้งหลายพอประมาณด้วยการที่ไม่รักไม่ชัง ก็คือต้องสละความวุ่นวายที่เนื่องด้วยเมตตาไม่เมตตาแล้ววุ่นวายต้องระวังนะไม่เมตกา ร, รุณาแล้ววุ่นวายใจใช่ไหมไปพอก ร, รุณาก็ต้องไปค้นขวายไปช่วยเหลือใช่ไหมถ้าเป็นเมตตาก็ต้องไปช่วยเหลือใช่ไหมมุทิตาก็ต้องเอาตัวเข้าไปเกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมใช่ไหมวา่าวุ่นวายถ้างนั้นาวางใจเป็นกลางซะเลยวางใจเป็นกลางของสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเอง ทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วเขก็ต้องรับผลการกระทำของเขาอยู่ๆนี่เจริญอุเบกขาเลยได้ไหมโอ้โหต้องมีองค์ประกอบเยอะไหมเนี่ยงั้นอุเบกขามันมีสองอุเบกานะเฉยงโง่กับเฉยมองกระเฉยที่เป็นเป็นไปกับปัญญาอุเบกขาบารมีนี่เฉยมึนเฉยโง่หรือเปล่าหรือเฉยที่เป็นไปกับปัญญา เ, าาเฉยที่เป็นไปกับปัญญาเพราะเป็นการ เห็นเพ่งดูแล้วก็พินิษ์พิจารณาอุปะเนี่ยแปลว่าเข้าไปเข้าไปเห็นเข้าไปเพ่งดูเข้าไปพินิจเข้าไปพิครเคาะฉะนั้นไปพิจารณาให้เห็นว่ากระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นน่มีกรรมเป็นของของตนไหมจริงนจริงมีเป็นทายาทของกรรมอยู่ไหมมีกรรมเป็นเหตุเกิด ทั้งสุขและทุกข์เป็นเหตุทั้งสัตว์มีกรรมเป็นที่พึ่งนะมีกรรมเป็นเผ่าพันไหมมีกรรมเป็นพวกพ้องเผ่าพันสัตว์ทาใดทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วเขาก็ต้องรับผลการกระทําสิเมื่อเขาขยันอ่านหนังสือเขาก็ฉลาดเองไหมเมื่อเขาขี้เกียจการอ่านหนังสือเขาก็โง่เองใช่ไหมเมื่อเขาขยันทำงานก็ประสบความสาเร็จขี้เกียจทำงานก็ล้มเหลวใช่หม เ่อเขาหมั่นฝึกผลพัฒนาในการฝึกตนเองตามศีลสมาธิปัญญาเขาก็บรรลุใช่ไหมถ้าไม่ทําตามศีลสมาธิปัญญาเขาก็ล้มเหลวเอ้าแล้วก็วางใจเป็นกลางในสัตว์ได้หรือยังถ้าอย่างนี้ทวินนังเวทานังสมีเปปวัตาอิขาอนุเปกขาการะการเสวยอารมณ์ที่เป็นไปใกล้ระหว่างเวทนาทั้งสองคือ ระหว่างโทมนานะเวทนาและสมนานเวทนาอันนั้นชื่อว่าอุเบกขาเวทนาฉะนั้นเขาเรียกว่าอาทุกขมสุขเวทนาอุเบกขาเป็นอย่างนั้นซึ่งความหมายทั้งสองในนี้เราสามารถที่จะพิจารณาได้ตามหลักฐานที่ปรากฏในคุณธรนิกายจุรานิเทศพระเจ้าตรัสว่าอุเบกขาหมายถึงการวางเฉยกิริยาที่วางเฉยความเพิกเฉยความสงบแห่งจิตความที่จิตสงัดและความที่จิตเป็นกลาง ในจตุธาชานโอ้โหนี่เข้าถึงจตุธาชานเลยนะอันนี้เป็นอุเบกขาพระมิหารเลยนะเนี่ยในรักฐานเนี่ยที่ท่านแสดงไปอย่างนี้นะก็อาจารย์สัทธารรมจัจลิโชติกาธรรมจริยาท่านอธิบายว่าอุเบกขาหมายถึงความวางเฉยในสัรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีใจที่ปราศจากอาการ5ประการ 1. ใจนั้นต้องไม่น้อมไปในความปรารถนาดีในการที่จะบำบัดทุกข์ส ใจนั้นต้องไม่น้อมไปในความปรารถนาดีในการชื่นชมยินดีสามใจนั้นต้องไม่น้อมไปในความปรารถนาดีในความสุขของสัตว์แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเออถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าธรรมชาติใดพิจารณาในสัตว์ทั้งหลายพอประมาณด้วยการที่ไม่ไปรักไม่ไปชังคือสระความวุ่นวายที่เนื่องด้วยเมตตากรุณามุทิตามีอเวลาหนตุเป็นต้น และมีสภาพเข้าถึงความเป็นกลางธรรมชาตินั้นนั่นแหละเรียกว่าอุเบกขาว่าเข้าใจยังยากไม่ยากเริ่มยากแล้วเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจต่อวิจัยต่อใช่ไหมสมณีนบอมพอวางใจได้ยังตอนนี้เราควรวางใจเป็นกลางต่อสังขารไหม ไปยินดียินร้ายเขาได้ไหมได้ไม่ได้นอกจากนั้นจะพิจารณาในออความหมายอีกอย่างหนึ่งนะท่านให้อธิบายไว้อย่างนี้ว่าในพระจารยนุกรมนะอุเบกขาหมายถึงความวางใจเป็นกลางไม่เอยนเอียงด้วยชอบหรือชังวางใจเฉยได้ไม่ยินดียินร้าย ไม่เย็นดีเย็นร้ายไม่ใช่เฉยแบบไม่ใช่เฉยเม ย, ยนะเมื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดขึ้นโดยสมควรแก่เหตุแล้วก็รู้ว่าพึงปฏิบัติเป็นไปตามธรรมะหรือตามความแก่เหตุนั้นนั้นความรู้ ร, รู้สึกวางใจเฉยดูเนี่ยเมื่อเห็นเขารับผิดชอบตนเองได้หรือในเมื่อเขาควรต้องได้รับผลอันสมควรแก่การแก่ความรับผิดชอบของเขาเองเนี่ย ฉะนั้นความวางท่าทีเฉยคอยดูอยู่ในเมื่อคนคนนั้นสิ่งสิ่งนั้นดำรงอยู่หรือดำเนินไปตามควรตามควรของเขาตามควรของมันเนี่ยไม่เข้าข้างไม่ตกเป็นฝักฝ่ายไม่สอดแสไปจู้จี้สารเนไม่ก้าวกายแทรกแซงนะจัดอยู่ในข้อ4ในพรรมวิหารน่นะและในข้อ7ในโพธชงด้วย จัดอยู่ในข้อ10ของบารมีและจัดอยู่ในข้อ9ของวิปัสสุกิเลสด้วยและความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เรียกเต็มว่าอุเบกขาเวทนาออถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าไอตัวอุเบกขาเนี่ยเป็นการที่ความวางใจเป็นกลางไม่เอ็งเอียงด้วยชอบแลยด้วยชังวางใจเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายโดยการใช้อะไร ใช้ปัญญาความรอบรู้นี่แหละไปพิจารณานีพิจารณาอะไรเห็นผลนั้นเกิดขึ้นโดยสมควรแก่เหตุและรู้ว่าพึงจะปฏิบัติไปตามธรรมธรรมะตามควรแก่เหตุรู้สึกวางใจเฉยได้เนี่ยนยียกตัวอย่างเช่นเห็นเขาทํากิจกรรมต่างๆและในขณะนั้นเขากําลังฝึกฝนพัฒ น, ฒนาตนเองต้องวางใจเป็นกลางไหมต้องไปคนขวาช่วยเหลือไหมถ้าไปคนขวาช่วยเหลือเป็น เป็นเมตตาเป็นกรุณาไปใช่ไหมล่ะหรือเป็นมุทิตาอย่างใดอย่างหนึ่งไปนี่ก็สละเลยสละเมตตาออกสละกรุณาออกสละมุทิตาออกวางใจเป็นกลางเห็นพิจารณาดูว่าสัตว์นั้นกําลังฝึกตนเองต้องการฝึกพฤติกรรมตนเองฝึกจิตของตนเองฝึกทัศนะความเห็นตนเองกําลังเจริญรุ่ดหน้าไปอยู่ต้องวางใจเป็นกลางไหมเพื่อเขาได้ฝึกตนเองได้รับความเข้มแข็งในการฝึกผลพัฒนาตนเองนั้นนี่การวางใจเป็นกลางอย่างนี้มันดีอย่างนี้แหละ ถ้าไม่มีอุเบกขาแล้วคนอ่อนแอไหมเนี่ยอ่อนแอเลยในมุมเนี้ยอีกมุมหนึ่งถ้าเขาต้องรับโทษจากการที่เขาก็ทําผิดแล้วต้องวางใจเป็นกลางไหมต้องไปดีใจเสียใจไหมถ้าไปดีใจเสียใจเป็นอุเบกขาหรือไม่เป็นมันไม่เป็นเสียความเป็นอุเบกขาไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพอจะเข้าใจประเด็นตรงนี้ก็คือว่าสภาพจิตใจที่เป็นไปกับการวางใจเป็นกลางนี่แหละ นั้นแต่พิจารณาความหมายภาพกว้างๆตามที่ปรากฏเนี่ยตามคําสอนต่างๆก็เป็นการวางใจเป็นกลางในลักษณะที่ไม่มีอคติไม่มีฉันดาคติลำเอียงเพราะรักไม่มีโทษาคติลำเอียงเพราะโกรธไม่มีโมหาคติลำเอียงเพราะหลงแล้วก็ไม่มีพยาคติลำเอียงเพราะกลัวใช่ไหมประการต่อมาคืออุเบกขาเนี่ย ในแง่โทษแห่งกามก็คือกามทั้งหลายอุปมาเป็นโครงกระดูกมีทุกเป็นต้นเราเนี้ยนะแล้วก็อุเบกขาในปัทวีธาตุเออถ้าไปพิจารณาอย่างนี้วางใจเป็นกลางนะไม่เห็นด้วยความเป็นสัตว์เนี่ยเป็นนีจะใช้ปัญญาเลยนะเออเราจะไปยินดีผมผมในนั้นก็มีปัทวีธาตุใช่ไหมในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกเนีย ลักษณะแข็งสามารถสัมผัสได้โดยมือเปล่าเกสาผมเป็นตัวเหล่านี้โอ้มันลักษณะอย่างนี้ไปเราก็ไม่เห็นต้องไปยินดีเลยยินดีในผมในขนในเล็บในฟันในหนังไปยินดีปฐวีธาตุอาโปธาเตโชธาต์วายโยธาถ้ามองอย่างนี้เห็นสังขารเลยใช่ไหมเนี่ยลักษณะในการปีกตัวเข้าสู่ความสงบความสงัดจากรามมีวิเวกมีวิตกมีวิจารณปิติ แล้วก็ในไตรลักษณ์ด้วยพิจารณาไม่คงที่ท้าวอของสังขารโดยการเปลี่ยนแปลงไม่มีตัวตนไม่ตกอยู่ในอำนาจของใขรแล้วก็ในความวางเฉยต่อสัตว์ทั้งหลายโดยมีจิตที่ปราศจากไม่ช่วยเหลือไม่ยินดีไม่สนใจในความสุขของสัตว์ทั้งหลายที่มีการวางเฉยแต่ไม่ได้วางเฉยเฉยโดยไม่รู้เรื่องนะแต่เป็นการวางเฉยด้วยสติด้วยปัญญาที่รู้และเข้าใจในภาวะเห็นอารมณ์ก็รู้สึกความ เป็นกลางในความขวนขวายที่จะนํามาแก่ตนเองและพวกพ้องทึ่งถือความระเบียงขาดความยุติธรรมเป็นต้นด้วยเอาละทีนี้ลักษณะสําคัญของอุเบกขาในลักษณะของอุเบกขาเนี่ยพระพุทธโคสาจารย์ท่านอธิบายเวกขามีลักษณะ8ประการเข้าไว้ในแปดประการก็คือ1อุเบกขามีการเป็นไป อย่างเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะคําว่าเป็นกลางในแปลว่าไม่มีอคตินะไม่มีฉันทาคติโทสาโมโหหพยาคติเราเห็นเราคิดถึงพ่อคิดถึงโยมพ่อยมแม่คิดถึงน้องนุ่งคิดถึงพี่คิดถึงบุคคลทั้งหลายใจเราสามารถวางได้เท่ากันไหม อันนั้นแปลว่าอเบขาเกิดได้จริงหรือไม่จริงต้องฝึกหรือไม่ฝึกต้องฝึกให้เกิดอันนั้นนะต้องไปไปไปวิจัยให้ดีวันนี้สามเณรบอมเวลากลับไปที่บ้านก็รามองมองหน้าแม่มองหน้าพอ่อระหว่างจะเป็นกลางดูนะแล้วก็มองตัวเองมีความเสมอภาคกันไหมมีการมองดูในสัตว์ทั้งหลายด้วยความเสมอกันมีกรรมเสมอกันหมดไหมเสมอ มีกรรมเนเสมอกันหมดแหละไม่เสม อ, อยังไงมีความเสมอกันหมดแหละเป็นไปตามกรรมเหมือนกันหมดไหม เ, ออเสมอภาคกันหมดมีการสงบความเกลียดและความและไม่มีความรักในสัตว์ทั้งหลายเป็นอาการปรากฏแก่ผู้ทําการพิจารณาเวขามีอะไรเป็นเหตุใกล้มีปัญญาที่พิจารณาเห็นการกระทําของตน เป็นของตนที่เป็นไปอย่างนั้นว่าสัตว์ทั้งหลายที่กระทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นเนาะเนี่ยกรรมสกาสตากรรมมาทายาทกรรมโยนีกรรมพันทุกกรรมปฏิสรณาเป็นต้นเหล่านี้ที่อธิบายไปแล้วเมื่อวานเนี่ยมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนใช่ไหมมีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นเหตุโยนีเนี่ยเป็นเหตุของสุขกรรมเป็น ก็ทำกรรมที่เป็นเหตุแห่งสุขก็ได้รับความสุขทำกรรมที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ได้รับความทุกข์การเข้าไปสงบความเกียจชังและไม่มีความรักเป็นความสมบูรณ์ของอุเบกขาการเกิดขึ้นของอัญญาณุเปกขาเนี่ยโดยอาศัยกรรมคุคเนี่ยเป็นความเสียหายด้วยถ้าเกิดโมหะแล้วก็เฉยเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่เป็นความเสียหายด้วยนะการวางเฉยด้วยโมหะเป็นศัตรูใกล้ของเบกขา ราคะและโทสะก็เป็นศัตรูกไกลของเวคขามันเห็นชัดไงเออการนิยามคุณลักษณะทั้ง8ประการข้างต้นเนี่ยเป็นเพียงลักษณะเบื้องต้นของเวคขาแต่ถ้าวิเคราะห์คุณลักษณะสําคัญที่มีผลต่อมนุษย์และสังคมโดยสภาพรวมก็จะพบว่าลักษณะที่โดดเด่นของเวคขาคือสภาวะความเป็นกลางความเป็นกลางนี่แหละโอ้โหประเภทของเบกขามีเยอะนะเดยเดี๋ยวก่อนที่จะดูตรงนี้ ไปดูไอสภาพของลักคณะที่จตุกะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูเบขา10เมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของการว่ามีการชักนําสัมยุทธ์ทำให้สม่ําเสมอในหน้าที่ของตนอันนี้หมายถึงยังไงเป็นลักษณะเนี่ยคือเมื่ออุเวขาเกิดขึ้นแล้วก็จะเพ่งดูสัมยุทธรรมทำกจิตแจเจสิกที่เกิดพร้อมกับกับตนที่ทําหน้าที่ของตนของตนอยู่โดยอาการสม่ําเสมอกันนี่วางเฉยนะ เหมือนอะไรดีเหมือนนายสารถีที่คอยดูม้าม้าซึ่งกำลังวิ่งไปอย่างสม่ำเสมอกันโดยไม่ต้องทำการใดๆเพียงแต่จับเชือกหย่อนๆย่อนปล่อยมา้ามันวิ่งไปตามปกติฉะนั้นสภาพของตัตรมชตตาลุเบขาเนี่ยเหมือนการวางตนเป็นกลางในสภาวะธรรมทั้งหลายก็ดําเนินไปอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องไปยกจิตไม่ต้องไปข่มจิตเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นเรียจิตวางเฉยละเรียบแล้วเหมือนขับรถเนทางที่มันราบเรียบประคองเบาๆแค่ น, นั้นเดีประการที่2มีการห้ามไม่ให้สามยุทธรรมบกพร่องหรือเกินเลยต่อหน้าที่ตรงนี้สำคัญก็คือว่าเวลาตัวอุเบกขาไปกำกับจิตและใจสิกเนี่ยเป็นกับกับสภาพจิตใจเนี่ยจะไม่ให้สภาพจิตใจนะั้นมันสูงๆงต่ำ มีความกํากับให้มีความมีดุลยภาพกันมีความสม่ําเสมอมีดุลยภาพทําหน้าที่ควบคุมซ้ำยึดซ้ำนะไม่ทําหน้าที่เกินความพอดีหรือไม่ให้หย่อนยานเกินไปเหมือนนายสารธีนั่นแหละที่มีหน้าที่คอยควบคุมม้าให้วิ่งไปพร้อมๆกันถ้ามีม้าหลายตัวนะสมัยก่อนรถม้าเนี่ยก็จะใช้เป็น5ตัว6ตัวเป็น10ตัวเวลาให้ม้าวิ่งเนะี่ยเขาจะคอยกํากับนะใช่ไหมให้ม้าเนี่ยวิ่ง เท้าพร้อมกันไหมต้องพร้อมกันด้วยนะปุบปุบปิบเนี่ยสม่าเสมอหรือว่าเวลาวิ่งอย่างนี้ก็เหมือนกันก็จะค่อนข้างยกพร้อมกันปุบปุบปุบปุบปุบปุบปนบปุบปุบปุบปุบนุบปุบปุบปุบปาบปุบปุบปกบปุบปุบปกบปุบปุบปุบปุบปุมปุวปุมีควปมเปุบปุบปางปุบปุบปุบปุบปุบมุบปุบปุบคือว่าเหมือนปุบปุบปุบปุบปุ้าที่กําลังวิ่งอย่างสม่ําเสมอ เทียบกันแล้วจึงวางเฉยไม่ต้องขนขวายต่อมานั้นแต่อย่างใดพอเห็นเขาสม่ำเสมอกันแล้วคนขับไม่ต้องแล้ววางใจเป็นกลางแล้วเขาอเขาพร้อมเพียงเขาสม่ำเสมอกันชัดเลยทีนี้มีอะไรเป็นเหตุใกล้มีสัมยุตรธรรมก็หมายความว่าเหตุใกล้ที่ทําให้ตรมชตะตาเกิดขึ้นก็คือว่าจิตและเจตสิกที่พร้อมเพียงกันนี่แหละการฝึกอบรมจิต สามารถทําให้เกิดขึ้นเป็นไปทีนี้อ่ะพูดถึงเรื่องอุเบกขา10ประการอา่ะอุเบกขา10ประการโอ้โหลายละเอียดเยอะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอุเบกขา10ประการนะเหตุที่จะทําให้หรือเหตุเป็นไปของสภาพที่เราจะได้ดูความต่างกันของอุเบกขาอันดับแรกเขาเรียกชลังคู่เปขา อุเบกขา6เนี่ยตาเห็นรูปนี่ที่เป็นของพราฐานนะหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้มสัมผัสรบกายถูกต้องสัมผัสใจรู้แจ้งธรอารมณ์ท่านมุ่งหมายถึงภิกษุนี่นะผู้ที่สิ้นอาสวะในพระธรรมวิ น, ยนัยนี่มีจิตไม่ยินดีไม่ยินลายวางเฉยมีสติสัมปชัญญะลักษณะของเวขาในที่นี้มุ่งถึงอาการที่จิตมีความบริสุทธ มีปกติที่ไม่หวั่นไหวในอารมณ์น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาด้วยทั้งอิทธารม์และอนิถารมณ์ที่เกิดจากอายตนะภายในอายตนะภายนอกที่มันกระทบกันน่ยใช่ไหมจากครูปัสสากรูปารม์กระทบกันโสตประสาทคันเอ่อโสตประสาทกับสัทธารมประทบกระทบกันเป็นต้นเหล่านี้เวลากระทบกันแล้วก็เกิดการเกิดวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกันอย่างเนี้ย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมกูกริมรสทางลิ้นถูกต้องสวดพราทางกายรู้แจ้งทาร้ใจแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ยสับอันนี้หมายถึงชังกุ้เปขาบุคคลที่จะทำได้ต้องเป็นเป็นใครเออต้องเป็นพระหรนี่เป็นลังกูเปขา อาการที่สพรหมวิหารุปเปกขาก็คือเวขาที่เป็นอาการของความเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายยกตัวอย่างภิกษุที่มีใจประกอบด้วยเวขาแผ่ไปในทิศ ต, ต่างๆลักษณะที่สำคัญในแง่นี้ก็คือการปฏิบัติคือการวางใจที่เป็นกลางต่อสัตว์ทั้งหลายโดยให้กระทาไว้ในใจว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน ผู้ทำกรรมเช่นใดก็จะต้องรับผลเช่นนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นกาหนดมีมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นเขตมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนีทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องรับผลของกรรมนั้นเนี่ ย, ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นพรหมวิหารรูปเปรขาเนี่เป็นอเวขาที่เป็นไปในสัตว์ทั้งหลาย อันนี้ได้อธิบายไปแล้วระการต่อมาคือพ่ชังคุเปขาอุยขาเป็นอาการของความเป็นกลางในธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกันที่บอกว่าภิกษุเจริญเวขาสำพโยชงอนาสัยวิเวกความสงัดอาศัยวิราคะความความคลายกำหนัดทั้งหลายย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูในธรรมทั้งหลายเป็นต้นอาศัยวิเวกสาัยวิราคะสาศัยโลฆะน้อมไปในการที่ะสละ อาการต่อมาคือวิริยุปเปกขาหมายถึงเวขาอันปารบความเพียรที่ไม่ยิ่งหรือไม่หย่อนจนเกินไปเพราะพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารตามที่พระเจ้าตรัสไว้นี่เป็นเวขานิมิตบางครั้งบางคราวในระการต่อมาก็คือเออมื่อกี้พูดถึงวิริยุปเเปกขาเนี่ย ความวางเฉยด้วยวิริยะเนี่ยเป็นความเพียรที่พอเหมาะเนเป็นความเพียรปานกลางที่เป็นไปโดยสม่ำเสมอในการปฏิบัติที่เป็นไปตามมัชฌิมาปฏิปทาก็นะสังขารุปเปกขาก็คืออุเบกขาของพระโยคีในการเพ่งวิปัสนาวางเฉยต่อรูปนามภายหลังที่ได้วิปัสสนาญาณที่8แล้วแล้วก็เวทนาเปกขา อันนี้เป็นเวขาเวทนาที่อยู่ระหว่างสุขเวทนากับทุกเวทนาหรือระหว่างโสมานัตกับโทมนัตเขาเรียกว่าอาทุก ข, ขมสุขเวทนาเป็นเวขาเวทนานะประการต่อมาคือวิปัสสนานุปเปขาก็คือเวขาในวิปัสสนาญาณที่วางเฉยด้วยอํานาจของวิปัสสนอปกิเลสนี่ไนงะก็คือเวขาที่ เป็นกลางในการค้นคว้าวิจัยกันค้นค้าวิจัยนี่เป็นวิปัสสนุโดยพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาแห่งสังขารและธรรมทั้งหลายสิ่งใดสิ่งใดมีสิ่งใดเป็นไปย่อมละสิ่งนั้นผู้ที่ละได้ย่อมได้อุเบกขาในคำพิวิสุทธิมาร์กบอกว่าวิปัสสนุเปรขาคือตัวปัญญาที่ทำหน้าที่เป็น ก, นกลางในการพิจารณา สามัญลักษณะและความเป็นกลางในสังขารอุเบกขาชนิดนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่นักปฏิบัติผู้เจริญวิปัสนาจนเห็นไตร ล, ลักษณ์ด้วยวิปัสนาญาณของตนนี่แหละแล้วก็ตัตระมัชชะตัตระมัตตระมัชชัตตุเปกขาสภาวะของตัตระมัตตาเจรศิกในวางเฉยต่อสภาวธรรม ไม่ต้องขนขวายในขณะปฏิบัติแล้วก็ชานุเปกขาในเวขาเป็นไปในชาญนะผู้บรรลุจะตุทะชาเนี่แหละก็วางเฉยสุขและทุกข์เป็นต้นได้แล้วกับปาริสุทธิเปกขาอันนี้เป็นอุเบกขาของปัจฉิมชาลาภีบุคคลคือการวางเฉยในอันหมดจดจากปีติและสุขแล้วฉะนั้นการจัดในลักษณะของอุเบกขาในลักษณะอย่างเนี้ย ท่านจัดไปตามลําดับของ อ, อุเบกขา10ประการที่ได้กล่าวประการต่อมาคือปัจจัยที่กอ่อให้เกิดอุเบกขาปัจจัยที่กอ่อให้อุเบกขาก็หมายถึงกุศลธรรมทั้งหลายมีโยนิโสมณัสิการเป็นต้นเนี่ยนี่เป็นอิทธิพลมีอิทธิพลสนับสนุนในการเกิดของอุเบกขาโยนิโสมณสิการเนี่ย ที่เป็นปัจจัยเกิดอุเบกขาในที่นี้หมายถึงเป็นปัจจัยเกิดเวกขาฝ่ายกุศลธรรมทุกประการแต่ที่ท่านระบุไว้ชัดก็คืออุเบกขาประเภทโพ่อชงเนี่ยนี่โยนิสมานัสิกานเนี่ยที่บอกโยนิและมานสิการนี่แหละมาจากการว่านิซึ่งแปลว่าเหตุนะ่ยโยนิเนี่ยนะแปลว่าเหตุแปลว่าแหล่งเกิดแปลว่าปัญญาอุบายวิธีทางส่วนมานสิการก็หมายถึงการทําใจนี่แหละ การคิดถึงการกำเนินการใส่ใจการพิจารณาถ้ารวมเข้ากาันปุ๊บเขาเรียกว่าโยนิโสมณิสิการพรโยนิโสมนิสิการก็เลยบอกว่าการคิด <c oughs> การคิดมีหลายอย่างนะการคิดให้รู้สภาวะลักษณะก็ได้สามัญลักษณะเป็นต้นก็ได้นะอันนี้ได้เคยอธิบายไปแล้ว <c oughs> อันนี้กลุ่มในเรื่องของโยนิโสมณิสิการอันนี้จะไม่ขยายค่อนข้างเยอะทีนี้ สิ่งที่ควรทําความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือทำที่เป็นปฏิปักษ์เตาเวขาอันนี้เป็นอกุศลนะอกุศลเนี่ยเป็นปฏิปักษ์มีัญญาณุเปกขาเคยได้ยินคำนี้ไหมหรือการวางเฉยที่การวางเฉยที่รู้นะีการวางเฉยที่ถูกโมหะครอบงํา อัญญาณุเบกขาเนี่ยหมายความว่าอาัญญาณุเบกขานี่จัดเป็นศัตรูใกล้ของเบกขาพรหมวิหาร balances. โดยสภาะวะของเบกขาที่เป็นไฟกุศลเป็นญาอนุเปกขาใช่ไหมถ้าอัญญานุเปกขาก็เป็นอกุศลและทำที่เป็นปฏิปักษ์อีกอย่างหนึ่งก็คือราคะและปฏิฆะความกำหนัดและความเครียดนี่แหละกดหรือโทสะนี่แหละอันนี้เป็นปฏิปักษ์และอีกอย่างหนึ่งก็คืออคติทั้งสี่ ฉันทาคติโทษาคติโมหาคติพยาคติอย่างนี้เป็นต้นร้วนแต่เป็นปฏิปักที่จะทำให้ไม่สามารถเจริญอุเบกขาได้ใช่ไหมอ้ยังเมตตาเนี่ยคืออะไรเมตตาก็แปลว่าอะไรเมตตานี่เขาใช้ในขณนะไหน ใช้ในวาละาไหนเมตตานี่ไม่ได้ทุกวาระนะ่าเนี่ยใช้วาระาไหนเออในยามปกติคือในยามปกตินะและกรุณาใช้ในวาละาไหนี่ยามวาละาไหน ในวันร้าที่เขาผิดปกติเขาผิดปกติฝ่ายแย่ลงไงผิดปกติไหมล่ะยามปกติใช้อะไรเ อ, อย้ามผิดปกติที่เขาซุดเขาแย่เขาประสอบความปัญหาชีวิตใช้อะไรเ น, นี่ยตอนนี้เราถ้าอย่างนี้เราจเจริญกันยากนะเนี่ยทนหาดว่าในชีวิตจริงเรายังสื่อหรือเปลี่ยนสภาพจิตใจให้เป็นช่วงไหนเมตตาช่วงไหนกรุณาไม่เป็น มุทิตาใช้ในวลาไหนในวาปกติหรือผิดปกติฮะในปกติหรือผิดปกติกตยังไงเป็นยังไงอย่างนี้ถือว่าปกติไหม ไม่ใช่ปกติไหมเขาปกติไหมในชีวิตเขาตอนนั้นน่ยการประสบความสําเร็จก็เป็นผิดปกติเหมือนกันนะยเนี่ยเขาประสบความสําเร็จใช่ไหมล่ะเอากรณีที่มองไปที่เนนบอมเนี่ยควรจะเลนเมตากรุณามทุทิตาจริงๆควรจเจริญนเลยทาไมต้องกรุณา แล้วก็เวลาบอ ม, มองไปที่ท่านในควรเมตตากรุณาหรือมุทิตาอ่ะคนยังไงควรเจริญข้อไหนอะสามข้อนี่ยก็ปกติที่ไหนนั่งง่วงๆสายประบอกอยู่อันนี้ปอกติ๋ว่าเนี่ยคนเจริญอะไรอ่ะในขณนะเจอพระที่ น, นั่งง่วงอย่างเงี้ยเจริญเมตตากรุณามุทิตาข้อไหนคนเจริญข้อไหน ไปคิดให้ทันนั้นเนี่ยข้อนไหนทำยังไงเวลาแทากรุณา <c oughs> กรุณาแล้วก็มองโอ้น้าสงสารแค่นี้ใช่ไหมรื้ทำอะไรต่อทำอะไรต่อก็เอามือไปจับเขย่าไงด้วยกรุณาให้ให้ตื่นห้ออกจากบาปเขาใหญ่ยังเขาการุณาเขาทำกันอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นหรือพูดก็ได้ พูดเกื้อกูลเขาไม่ได้ไปพูดทิมแทงว่าเอ้ยอย่าไปอยู่ในภาวะอย่างนี้นี่เป็นบาปเป็นอกุศลนะกรุณากระตุ้นอาศ่ากระตุ้นแล้วกระตุ้นอกีกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกก็ไม่ยอมออกจากความง่วงทำไงต่อทำไงเจริญก็ไหนทำแปลว่าอะไร อุเบกขาเนี่ยเขาใช้ในฐานะไหนวาระไหนวาระไหนเมตตาใช้ในวาระปกติกรุณาใช้ในวาระผิดปกติขาลงมุติตาใช้ในวาระผิดปกติขาขึ้นแล้วอุเบกขาใช้ในวาระไหนในวาระไหนอ่ะ เออในวารักษาที่จะรักษาไม่ใช่ทุคุณธรรมรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องดีงามเนี่ยเขาจะต้องรับผลของการกระทําจะทําสุดีหรือไม่ดีทั้งหลายนั้นในวาระที่จะต้องรักษาความเป็นกลาง ร, รักษาธรรมะแล้วเนี่ยประดุจ ต, ตาชูตาช่างแล้วไม่เอน็นไม่เอียงด้วยความรักด้วยความชังพิจารณาภาวะที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรมของเขาเขาใช้ในวาระนั้นที่จะต้องรักษาธรรมะนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้น เออนี่ก็ต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดนะในกรณีที่เราจะได้มีความเข้าใจในเรื่องของอุเบกขาที่อุเบกขาในโพชฌงก็ยังจะไม่เจาะเข้าไปก่อนเนาะเพราะว่ามันมีทั้งสติสัมโพชฌงธรรมวิจยาสัมโพชฌงวิริยปีติปสัสสติสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงนะสรุปงา่ายนิดนิดหนึง่งตอนนี้ก็คือว่าความเป็นกลาง ก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเนี่ยก็เลยมีความเฉยนิ่งดูในภาวะจิตที่แน่วแน่อยู่กับกิจที่ทำก็ดำเนินไปด้วยดีตามแนวทางที่กำหนดไว้อันนั้นก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ในหลักการในพชชงเนี่ยมันก็มีองค์การพิจารณาทั้งหลายเรื่องแต่ถ้าเรา <c oughs> ยกตรงนี้มาเดี๋ยวก็จะมันจะมันจะหมดเวลานะ ที่จริงมีเรื่องที่ต้องวิจัยกันค่อนข้างเยอะมันมีอุเบกขาหลายอย่า ง, ด, งดังที่ได้บอกไว้แล้วนะ่ะทั้งตัววิปัสสนาญาณก็เป็นอุเบกขาก็มีเนี่ยนะทีนี้อยากจะไปเข้าเนื้อหาสาระในเรื่องของอุเบกขาบรารมีเกี่ยวกับการที่พระโพธิสัตว์ท่านเจริญเนี่ยนะในทศบรารมีเนี่ยบรารมี10นี่แหละ หมายถึงความเป็นเลิอดความเต็มความบริบูรณ์คุณธรรมที่จะนาไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าสูงสุดนะลองลงมาก็ปเจกะลองมาก็สาวกะทานบา ร, รมีเราศึกษาแล้วศีลบา ร, รมีเนคขมมาปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฐานเมตตาและเวเกขาบา ร, รมีดังได้กล่าวไว้แล้วเวกขาบา ร, รมีคือการวางใจเป็นกลาง นะวางใจเป็นกลางวางใจสงบราบเรียบสม่ำเสมอเที่ยงธรรมไม่เอ็นเอียงไปด้วยความยินดียินร้ายหรือชอบชังนี่เป็นวิมีการวางเฉยเป็นลักษณะไม่โกรธแล้วก็ไม่ยินดีนี่เป็นภาระเป็นภาวะของสภาพจิตของผู้ที่ปฏิบัติในระดับสูงมีเหตุการณ์ดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวในลักษณะของเบขาบา ร, รมีจะเป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเฉพาะวพราะเบคะ ในเวขาบารมีนี่นี่ักษณน่ะสำคัญก็คือการเข้าไปดูหรือปอกป้องคนดีจากสิ่งที่ไม่ดีหรือป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเนี่ยได้โอกาสในการทำชั่วเช่นในกรณีของท่านนารทะพระพรหมนารทะเนี่ยในพรหมนารทะกับสปาชาดกเนี่ยเดี๋ยวจะอายกตัวอย่างมาแต่ตอนนี้ยังก่อน ท่านพรหมนารธ ะ, ะเนี่ยท่านเข้าไปสอนพระราชาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้มีความเห็นถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนเป็นจำนวนมากนดังที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยประเด็นแนวความคิดในเรื่องของอุเบกขาบารมีสามารถสรุปได้ตรงนี้ก็คือว่าอุเบกขามาจากศัพท์ที่บอกอว่าอุปะที่แปลว่าอุปสรรคแปลว่าเข้าไปแปลว่าใกล้อิฆะเนี่ยอิะนี่แปลว่า เห็นอิาธาต์เนี่ยการเห็นการเพ่งการพิจารณาหมายถึงการเข้าไปเพ่งเข้าไปดูเข้าไปพิจารณาโดยทั่วไปเนี่ยสับนี้จะได้รับการแปลว่าความวางเฉยซึ่งเป็นการแปลที่ค่อนข้างไม่ตรงกับรากศับเดิมอุเบขาไปแปลว่าวางเฉยเนี่ยแต่การแปลอุเบขาในลักษณะนี้ก็เพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจสภาวะและบทบาทหน้าที่ของอุเบขาตามที่กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรค แต่โดยหลักการจริงๆต้องแปลงไง อ, อุเบกขาอุ ป, ปาเนี่ยแปลว่าเข้าเข้าไปใช่ไหมเข้าไปเพ่ง อ, อีกขานี่แปลว่าแปลว่าดูแปลว่าเพ่งแปลว่าพิจารณาฉะนั้นตัวอุเบกขาจริงๆในที่นี้การเข้าไปเพ่งดูพิจารณาเนี่ยแต่ถ้าไปแปลวางเฉยมันก็ไปเข้าในหลักวิสุทธิมรรคในพรังวิหารที่มีลักษณะความเป็นกลางคือการไม่ขวนขวายหรือสละกความวุ่นวายในสัตว์ทั้งหลายพิจารณาว่า สับสัตวตกอยู่ในภายใต้กฎแห่งกรรมนั้นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เพราะความหมายเวกขาอีกเมตตีหนึ่งก็คือเวกขาเป็นสภาวะจิตที่ปกติของผู้ทหารอันนั้นเป็นชังกุเปขาการไม่ยินดีไม่ยินร้ายแนรลมทั้งหลายเนี่ยทีนี้ในลักษณะความเป็นกลางที่ไปพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายโดยความเสมอกันเสมอภาคกันก็ปราศจากความรักความชังเห็นเหมือนกันหมดน่ย เห็นสัตว์ทั้งหลายที่สมมุติเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ตายายายเนี่ยก็เห็นโดยความเสมอภาคกันหมดจึงไม่เอ็นเอียงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะส่วนอุเบกขาที่เป็นอกุศลจะไม่กล่าวอุเบกขาในกําลังวิปัสสนาญาณทีน่นี้แนวความคิดในเรื่องของการบําเพ็ญอุเบกขาบารมีเนี่ยการนําหลักการในเรื่องเบกขาบารมีเนี่ยให้สังเกตดูพระโพธิสัตว์เนี่ยหรือพระเจ้าเนี่ย ท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกในชาดกเนะี่ยค่อนข้างจะหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นการในเรื่องของบา ร, รมีทุกบา ร, รมีเนะี่ยมันจะมีบา ร, รมีครบอยู่นะแต่ว่าจดบา ร, รมีข้อไหนเด่นนั่นแหละไม่ว่าจะทานะบา ร, รมีทานะอุ ป, ปบา ร, รมีทานะป ร, ร, ร, รมัตถบารมีในนั้นก็จะมีสภาพของอุเบกขารวมอยู่ด้วยอาเทนี้ลักษณะของการบำเพ็ญอุเบกขาบา ร, รมีเนี่ย พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีในขณะที่ทรงสวยพระชาติเป็นดาบทก็มีนะอายุก็อย่างเมื่อวันก่อนได้เล่าทีหนึ่งแล้วที่บอกว่าให้ความช่วยเหลือลิงลิงโลนลิงดื้อลิงโลนตัวหนึ่งที่ถูกเต่าทําร้ายได้รับทุกขเวทนานี้ปรากฏในขุธกาศนิกายชาดกตอนนั้นก็คือว่าพระเจ้าพรหมทัต เสด็จเตลึงราชสมบัติเนี่ยในกรุงพาราณสีว่นกาสีพระบทธิสัตร์ก็เสวยพระชาติเป็นพรามในครั้งนั้นพาเจริญไว้ยแล้วก็ศึกษาศิลปศาสตร์ที่เมืองตักศิลาเมื่อกลับมาสู่ภูมิลำเนาเดิมแล้วประกอบวิชาการช่วยพ่อเมเข็นโทษในการคองเรือนแล้วท่านก็สละสมบัติและหมู่ญาติออกบวชเป็นดาบด สร้างอาสมอยู่ริมแม่น้ำคงคาใกล้ป่าหิมะผานก็บำเพ็ญจนได้ฌานบรรลุปิญญาด้วยสมาบัติคนได้ฌานได้ปิญญาถือมีฤทธิ์ไหมมีมีฤทธิ์ไม่ใช่ไ ม, ไม่มีแล้วสวยความสุขในฌานนะั้นในป่าหิมพผานที่นี้ในที่ใกล้ๆพระโพธิสัตว์นันนะ่พระโพธิพระโพธิสัตว์เนี่ย น, นะเป็นผู้มีเป็นผู้มัธยัตอย่างยิ่ง บำเพ็ญเวขาบรารมีก็วันหนึ่งขณะที่นั่งอยู่หน้าประตูบราารณาศาลาก็เจอไอ้ลิงทูศีลเนี่ยตัวหนึ่งมาทำกิริยาหยาบโลนที่ร่างกายของพระโพธิสัตว์ก็เอาเ อ, าอา ว, วัยวะเพียรเนี่ยขอภัยเนี่ยแยหูเขาแย่หูเออเอาเอานี่ยเอาเนี่ยแค่ว่าแค่ เรานั่งกรรมฐานอยู <S <S ่มีจิ้งจกสักต so ัวกระโดดปุ๊บเข้าหัวเรานี่เราจะวางเฉยได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมเยอเซวันได้ไหมถ้านั่งอยู่อย่างนี้มีลิงสักตัวหนึ่งโดดมาบนหัวแล้วก็มาถ่ายปัสสาวะรถวางเฉยได้ไหมอ๋อเฉยเอาละเดี๋ยวจะลองบางอย่าเออตอนนั้นทบหมากับตายไม่ใช่ เวขาก็ตรงนี้นะลิงมันก็แย่หูบ้างทำไรบ้างถ่ายอุจจาระปัสสาวะลิงจะทำกิริยาอย่างนั้นแต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้แสดงอาการลำคาญให้ปรากฏนี่หสังเกตดูนะเวขาบารมีนั่งอยู่เฉยนี่นั่งทาอยู่อย่างนี้ตลอด เป็นอธยาศัยเลยวังเงิท่านก็ไม่ได้ถือส า, สาจริงๆจัดการยังไงก็ได้ลิงตัวนี้จะฆ่าก็ได้จะทำอะไรก็ได้แต่ท่านวางใจเป็นกลางไอ้อย่างเงี้ยนะไม่ใช่โมหะกินด้วยนะรู้และเข้าใจด้วยมีอยู่วันหนึ่งไอ้เจลิงโลนตัวเนี้มันไปที่ฉะท่านา้าไปเจอเต่าตัวหนึ่งกลาลังหลับและอาปากอยู่ใช่ไห จึงหยอกเตา่าเหมือนกา ร, กรทากรบโพอิีสัตว์น่ะก็เอาเอ ว, วิยวะเนี่ยไปแย่เข้าไปในปากเ ต, าเตา่าเต่ามันอาปากอย่างใช่ไหมไอ้เจ้าลิงมันลิงโลนตอนนี้ยก็เอาอ ว, วิยวะเนี่ยแย่ปุ๊บเข้าไปในปากเต่าที่กําลังนอนอยู่ที่ท่าน้ำํำโอ้เต่ามันตกใจดีพอตกใจไปเสร็จปั๊บมันก็งับเต็มที่เลยนี่นโอ้โหดิน้นไหมโอ้โห เสร็จเลยเดนเนี้ยโอ้ยทุกขเวทนาทำยังไงเต่าก็ไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมหยุดหยุดงับงับเต็มที่เลยโอยร้องมากก็เลยอ้มเต่าอ้มเต่าแล้วก็ค่อยๆเดินมาลองดูเดนไอ้ท่าอุ้อมเต่าเดินมาใช่ไหมเต่ามันงับเอาไว้ว่าตัวเองก็ต้องอุม้มมันไม่รู้จะทําไงดึงก็ไม่ออกดึงไงก็ไม่ออกก็นึกถึงเดียวโอ้โยใครน้อจะเป็นที่พึ่งไงตัวเองได้ ใครล่ะก็พระพธิสัต tn ี่แหละดาบดที่แหละก็เลยอุ้มเต่าแล้วก็เดินเดินมาไกลพ ร, พระดาบดที่สัต์ด้วยหวังว่าจะก็ไปหาพระโพธิสัต tn ีเ่เห็นลิงทูสีเนี่ยอุ้มเต่ามาก็กล่าวล้อล้อเล่นกับลิงอะ่ะบอกว่าใครหนอเดินมาเหมือนคนถือพัตตาหารมาเต็มถาด เหมือนพราหมณ์ได้ลาบเต็มมือเจ้าไปเที่ยวพิกขาจานที่ไหนหนอเข้าไปหาผู้มีศรัทธาคนใดมาหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็โอ้ใครน้อเนี่ยเดินสารวมเหลือเกินเหมือนพระถือการบินธบาตเป็นวัดเหมือนอ้มบาทนะ น, นะเหมือนอ้มบาทเดินอือหือบอกว่า ไอเจ้าลิงเนี่ยนะลิงเนี่ยก็บอกข้าพเจ้าเป็นลิงโง่เป็นลิงโง่เขาก็ตอบพระโวธิษัทไปว่าจับต้องสิ่งที่ไม่ควรจับต้องขอความเจริญแก่ท่านขอท่านจงช่วยปล่อยข้าพเจ้าข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วจะไปยังภูเขาจะไม่มาอีกแล้วจะไม่มากวนพระวริษัต์ดีแล้วบางคนเด็กพระวริสัตทเห็นอย่างนั้นเนี่ยเออมีความกรุณานะ นี่มีความกรุณาตอนนี้ไม่ใช่อุเบกขานะีไอ้ตอนอุเบกขาตอนไหนในตอนแรกตอนนี้กรุณาแล้วกรุณาว่าเอออยากให้เย้าลิงตัวนี้ต้องมาวิบัติต่อหน้าต่อตาเราเลยอยงี้เนี่ยธรรมดาเนี่ยท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่าตามธรรมดาเต่าเป็นต้นตระกูลของกัสริยโคตลิงเป็นต้นตระกูลของโกนธัญญาโคตกษัตริท่านจงปล่อยโกนธัญญะเสียเถิด ท่านได้เคยร่วมเมตุนกันมาแล้วก็คือพระโพธิษัทท่านก็บอกว่าเออเนี่ยเต่กากับลิงในสังสารวัฏในอดีตต่างๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็เคยเกี่ยวข้องกันมาเป็นสามีเป็นภรรยากันมาว่างั้นจะเคยเสพกามกันมานั่นแหละจึงมีจึงจึงมีอาการเป็นไปลักษณะแบบนี้ โอเต่าฟังปุ๊บมีความเลื่อมใสถ้อยคําของผู้บริสัท์ก็ปล่อยลิงให้เป็นอิสระไอลิงโลนตัวนั้นพอพ้นจากปากเต่าปุ๊บก็ทําความเคารพผู้บริสัทธแล้วก็กระโดดหายแวบไปเลยไม่มาเลยทีนีฝ่ายเต่าก็กลับไปยังสถานที่ของตนเมื่อสัตว์ทั้งสองจากไปแล้วพระบริษัทธก็จเจริญสมาบัติเนี่ยจะต่อมาพอสิ้นชีวิตก็เข้าถึงพรหมโลกชาดกเรื่องนี้แสดงถึงการบําเพ็ญอุเบกขาบารมี เพราะบริษัทก็หมายถึงการบาเพ็ญเวขาในลักษณะเช่นนี้จัดเป็นอเวขาบารมีในพระมิหารอันเป็นท่าทีผู้มีจิตที่ประกอบไปด้วยความกรุณาเป็นพื้นฐานของอเวข า, าเหตุการณ์ในลักษณะอย่างเงี้ยดาบทผู้เป็นพระโพธิสัตว์ได้บําเพ็ญเวขาบารมีเพราะได้แสดงออกถึงการที่ว่ากวางใจเป็นกลางในขณะที่ลิงนั้นประทุษร้ายตัวเอง ก็ไม่โกรธและในขณะเดียวกัน <S <S ก็เห็นลิงนั้นประสบความทุกข์ก็มีกรุณาโดยมีอุเบกขาเป็นตัวเลือกฟันหาแนวทางให้เหมาะสมต่อเหตุการณ์นั้นๆเพื่อให้การแสดงออกของกรุณามีความสมบูรณ์และถูกต้องตามวิธีของปัญญานั้นพระโพิสัตว์เนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างของผู้ที่บำเพ็ญอุเบกขาบารมีอย่างแท้จริงทีนี้ลักษณะของการบาเพ็ญเวขาบารมีเนี่ย ปรากฏเด่นชัดอีกชาติหนึ่งก็คือในชาติที่เป็นพญามหิสากหรือเป็นกระบื อ, อ, อพระพุทธเจ้าเคยเป็นกระบือนะเคยเป็นพระโพธิสัตว์เป็นกระบือนะเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในไหนในขุทักาลนิกายชาดกและอรจจะกระถาเล่าบอกว่าครั้งพุทธกาลเนี่ยในกรุงสาวัตถีมีลิงโลนตัวหนึ่งถูกเลี้ยงไว้ในตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งวันหนึ่งไอ้ เ, อเจ้าลิงตัวเนี้ยมันเข้าไปยังโรงช้างใช่ไหม ว่าเข้าไปในโรงช้างไปบนหลังช้างช้างนั้นเป็นช้างที่ได้ฝึกหัดดีแล้วเป็นช้างมีศีลาจารวัตไอลิงโลนตัวนี้แทนที่มันจะขึ้นไปขี่เล่นธรรมดามันกลับไปทายอุจระถ่ายปัสสาวะบนหลังช้างเดินเหยียบย่ําไปมาเหยียบย่ําไปมาเปรอเลอะเทอะทั้งตัวอะไรแบบนงงั้นแต่ช้างนั้นก็ไม่ได้แสดงการกิริยาวางเฉยอยู่ด้วยด้วยความอดทนตามวิสัยของผู้มีศีลาจารวัต เห็นไหมผู้มีศีราจารวัตก็จะอดทนนะพวกเราเป็นผู้มีศีราจารวัตไหมมีไหม ม, มีไหมร้อนเนี่ยวางเฉยได้ไหมได้ไม่ไดไ้ร้อนหนาวได้รับเสียงกระทุ้งกระทบกระทั่งก็มีศีราจารวัตไม่ทําความรักและความโกรธให้เกิดขึ้นวางใจเป็นกลางน่าทํำไหม ดูช้างฝึกมกันยังทำได้เลยพวกเรานี่ต้องแข็งแรงกว่าช้างไหมด้านจิตใจต้องแข็งแรงกว่าไหมเอออย่าทำตัวเป็อนเจ้าสิงนะเจะสิงไม่ได้ใครไปบรบกวนมากๆมันกัดเอาเลยใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้มีอย่างนี้พวกโทสะเนี่ยสนักลักษณะอย่างเงี้ยก็โทสะแรงหนึง่งทีนี้เนี่ยมันก็ทาอาการอยู่อย่างเงี้ยอยู่มาวันหนึ่ง ไ อ, ไ, อไอ้ลูกช้างดุตัวหนึ่งมายือนอยู่ที่ที่ช้างที่เคยยืนนี่มันไม่ใช่ช้างตัวเดิมแล้วเดี๋ยวนี้ยมันช้างตัวใหม่แล้วฝ่ายลิงโลนนี่ก็เข้ามาที่โรงช้างนั้นอีกมันไม่ได้พิจารณาสําคัญว่าเป็นช้างตัวเดิมนั่นแหละมันก็ปีนขึ้นไปบนหลังช้างตัวดุนั่นนะ ล, ลูกช้างตัวดุพอปีนขึ้นไปปุ๊บยังไม่ได้ทันทําอะไรเลยช้างตัวดุใช้งวงจับลิงฟ้าโตมกระพื้นเลยฟาตุบมาไปให้เรียบร้อยเลยเดียนี้เยียบเลย ลิงนั้นแหลกไม่เป็นชิ้นดีเลยภิกษุเห็นกันนะก็นําเรื่องเนี้ยไปสนทนากันให้พระธเจ้ า, าทราบพระองค์ก็ตรัสว่าพระเจ้าก็เลยเล่าอาดีตอดีตชาติเนี่ยพระ อ, องค์เคยบําเพ็ญบารมีมาโดยย่อๆนะตอนนั้นพระบริษัตวก็เป็นพญากระบือเป็นช้าเออไปเป็นเป็นเป็นเป็นควายใหญ่อยู่ในปายย่าฮิมาพาห์พอเจริญวัยแล้วเนี่ย ก็เที่ยวสัญจรไปมาอยู่ตามเชิงเขาอาศัยเงื้อมเขานั่นแหละนั่นะแหละห้วยและลํลาธารทั้งหลายในป่าทึบนั่นแหละเป็นที่หากินยื่อมาวันหนึ่งขณะที่สัญจร น, นี่นได้พบต้นไม้สูงใหญ่ต้นหนึ่งแตกกิ่งก้านสาขาร่มเย็นก็เข้ายึดเอาเป็นที่พักอาศัยยืนพักใต้ใต้ต้นไม้ในรากลางวันก็นมีลิงตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้นะั้นลิงโลนเนี่ยเห็นกระบือมาเยืนอยู่ก็กระโดดลงมา ขี่บนหลังกระเบือปุ๊บ ก, ก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วก็เหยียบย่าเปื้อนเนี่ยทั่วไปว่าบ้างก็จับเขาจับเขาของกระเบือเนี่ ย, ห, ยห้อยโหนย้อนตัวไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เห็นใช่ไหมลิงนี่มันย้อนตัวได้นะเกาะนี่ไปเกาะเขาเล่นนะ่ะย้อนเหวียงซ้ายเวียงขวาหมุนรอบเนี่ยความดื้อความสนมันเนี่ย บางงานะห้อยโหนบางข่าวก็จับหูดึงเล่นบ้างนะจับหูดึงบงิงกัดบ้างอะไรบ้างสรารพัดมันนะมันสนุกมันนะ <c oughs> พระโพธิสัตว์เนี่ยมีขันติธรรมมีเมตตาธรรมก็ไม่ได้ใส่ใจถึงการเล่นอนาจารเช่นนั้นลิงโนตัวนั้นมันก็ทำอย่างนั้นตลอดมาทำอยู่งั้นตลอดตลอ ด, ล อ, ดอยู่มาวันนึงเทวดาซึ่งสถิตยอยู่ที่ต้นไม้นั้นแสดงตัวให้ปรากฏ แล้วก็เจราจากับบริษัทลูกเทวดาวก็บอกว่ามุ่งหมายประโยชน์อะไรต่อลิงผู้มีจิตกลับกรอกมีปกติประทุสร้ายมิตรทําไมถึงยอมอดทนทําไมถึงยอมอดกลั้นต่อความทุกข์วางแค่นั้ต่อเจ้านายผู้ผู้ให้สิ่งที่ต้องการได้ทุกให้ทุกอย่างท่านเหยียบย่ําทํ่ยวาไมต้องไปอดทนต่อต่อต่อลิงอย่างนี้ไม่ปรามมันไว้บ้าง ถ้าไม่ทําอย่างนี้สัตว์โง่โงนี้มันก็จะเบียดเบียนเราหนักยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้าคนส่วนใหญ่ก็จะคิดกันอย่างนี้นะเล า, ามีใครประทุสลายเนี่ยเราจะต้องจัดการมันใช่ไหมถ้าไม่จัดการมันว่าเราเนี่ยสามารถจะเก่งหรือสามารถจะตอบโต้เราไม่ใช่เป็นคนใจดีนะเนี่ยถ้าไม่ทําอย่างนี้มันก็กรุกลานเราใหญ่เลยใช่ไม่ใช่เราคิดแบบนี้ไหมคิดไม่คิดการคิดลักษณะเนี้ยคิดผิดบอกว่า เขาบอกว่าเมื่อเจ้าลิงเอ่อพระโพธิสตรก็ตอบว่าก็เมื่อเจ้าลิงตัวนี้เข้าใจว่ากระบื้อตัวอื่นเหมือนข้าพเจ้าก็จะทําอนาจารยอย่างนี้กับกระบือเหล่านั้นก็จะฆ่ามันเสียในที่นั้นข้าพเจ้าก็จะพ้นจากไปน า, าทีบาสเอ้ยไปทําทําไมถ้าเราทำเราก็เราก็ทาําปนาทีบาสทไม่เอาหรอกท่านบอกว่าท่านไม่ยอมฆ่าคนอื่นหรอก ได้ท่านจะไม่ทําจิตลาคาญให้เกิดขึ้นเมื่อจิตลาคาญี่้เกิดขึ้นจิตกโกรธเกิดขึ้นจิตเครียดเกิดขึ้นขึ้ น, นมาก็ไปฆ่าเขาไปไปทศรลายเขาบาปมันเกิดกับใครอ่ะบาปมันก็เกิดกับเราสิเรเรื่องอะไรล่ะเราจะไปฆ่าเขาทําไมเราจะไปปรามเขาทําไมเอาทำไมไม่สอนเขาล่องแน่นอนมันอุ้ยเดี๋ยวก็ไปทำกับศาสตร์อื่นศาตร์อื่นก็าทนไม่ได้ไปเจอสัตร์อื่นก็จัดการเองเลยแบบเนี้ยแบบ ก็วางใจเป็นกลางก็เขาทำกรรมใดไว้เขาจะต้องรับผลของกรรมนั้นเข้าใจใช่ไหมแต่เขาทำกับเราเนี่ยเราจะไม่ทำบาปให้เกิดขึ้นแล้วก็จะวางใจเป็นกลางแต่สัตว์ประเภทนี้เดี๋ยวเขาก็ไปทำกับสัตว์อื่นเขาละนิสัยอย่างนี้ไม่ได้เมื่อไปทำกับสัตว์อื่นสัตว์ที่เขาใหญ่กว่าสัตว์ที่เขามีโทสะสัตว์ที่เขามีกิเลสห น, า, นากว่าก็าโดนทุบโดนตีตายอยู่แล้วหมาออกไว้ เรื่องอะไรเราจะไปแปะเพื่อนกระ บ, บาดอย่างนี้ด้วยเป็นต้นพอล่วงไปได้สองสามวันกระบือบริษัทนั้นก็ไปอยู่ที่อื่นต่อมามีกระบือที่ดุร้ายตัวหนึ่งเที่ยวสัญจรมาใส่อยู่ต้นไม้นี่แหละไอลิงโลนตัวนั้นก็สําคัญว่ากระบือตัวเดิมแหละก็ทํากิริยาเหมือนกระทํากับโพธิสัตว์ก็ไปกระโดดถ่ายะะอุจจาระผสมว่าโอ้ยตัวนีนโ้โกรธเออเวี่งตกลงมาฝิดตายเลย <laughs> นี่มันปิดตายเลยเนี่ย นัน่เออถ้ามองนี้ก็จะเห็นนะจะเห็นชัดเข้าใจคําว่าเวขาหรือยังพอมองเห็นไหมอันนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่ใช่ไหมอ๋อมันเกื้อกูลกันอยู่แล้วเกื้อกูลกันต้องมีคันติต้องอดทนอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันก็นอกจากอดทนแล้วก็วางใจเป็นกลางใช่ไหมการวางใจเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ไม่ปล่อยความรักและความชังให้มันเกิดขึ้นแล้วก็มันยังมองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนะ่มีกรรมเป็นของของตนทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยใช่ใช้ปัญญาหนักก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะพญานกแขกเต่ามีนักวิชาการหลายแห่งก็บอกว่าเออพญานกแขกเต่าเนี่ย น่าจะจัดอยู่ในประเภทอุเบกขาบรามีมกันก็คือมันมีเรื่องเล่าอย่างนี้ว่าในทุ่งนาพญานกแขกเต่าพระโพธิสัตว์ที่เป็นหัวหน้าฝูงนั่นแหละไม่ได้รีบบินหนีไปเหมือนนกตัวอื่นเพราะว่าแม้จิ ก, กินมเมล็ดข้าวอิ่มแล้วแต่ก็ยังต้องใช้ปากคาบรวงข้าวเพื่อนำข้าวไปเลี้ยงดูมารดาบิดาแล้วก็เลี้ยงดูลูกที่ยังไม่มีขนไม่มีปีกเนี่ย รวมทั้งต้องนําไปใ ห, ให้แก่นกแขกเต่าที่ทุพพลภาพที่ปว่วยไม่สามารถหากินเองได้ได้พฤติการเนี่ยยอมเสี่ยงตายว่าเั้นเถอะเช่นนี้ต่อมาก็ถูกคนเฝ้าออนาเนี่ยจับได้แล้วก็นําตัวไปให้เจ้าของเจ้าของชื่อว่าโกศิยพรามก็คือก็เลยสนทนากันระหว่างพญานกแขกเต่ากับโกศิยพรามเจ้าของนาเจ้าของนาข้าว มีปรากฏในสาลิเกีธารชาดโกศิยพราหมณก็ถามพญานกแขกต้าบอกว่านกตัวอื่นกินพออิ่มท้องแล้วก็ไปแต่เจ้ากินข้าวสาลีจนอิ่มแล้วยังคาบบินไปอีกว่าไงฉางที่ป่าไม้งิ้วนั้นเจ้าบรรจุไว้จนเต็มหรือทำํทำฉางทําย้งไวหรือเ่าหรือเจ้ามีเว้นกับเราเราถามเจ้าจงบอกเถิดก็เก็บข้าวสาลีไปไว้ที่ไหน นี่พญานกแขกเต้าก็ตอบบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีเว้นกับท่านนี่ประเด็นแรกนะไม่ได้โกรธไม่ได้มีเว้นหรอกช้างของข้าพเจ้าก็ไม่มีข้าพเจ้าไม่ไปถึงยอดไม้ยิ้วก็ชําระหนี้พอไปถึงยอดไมงยิ้วก็ชําระหนี้และให้กู้ยืมหนี้ทั้งยังฝังขุมทรัพย์ไว้ที่ยอดไม้ยิ้วขอท่านจงทราบอย่างนี้เถอด มีอะไรบ้างเนี่ยที่ท่านเอาข้าวไปท่านไปชาระนี่แล้วก็ท่านให้กู้ยืมหนี้แล้วท่านยังฝังกลุ่มรั์ไว้ในที่ยอดไม้ยิ้วด้วยนั้นด้วยข อ, ข อ, ข, อขอท่านจงทราบโกศยพรามก็ถามบอกว่าการให้กู้ยืมหนี้และการชำระนี่ของเจ้าเป็นเช่นไรเจ้าจงบอกถึงการฝังกลุ่มทรับมาสิ ถ้าทำเงี้ยท่านจะได้พปลอดภัยว่างั้นเถอะพญานกเขกเต้าก็บอกว่าท่านโกศิยะข้าพเจ้ามีลูกอ่อนตัวเล็กๆขนปีกยังไม่งอกไอ้ลูกตัวเล็กๆเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เลี้ยงได้เลี้ยงเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงตอบเขาจะยังเลี้ยงแล้วเลี้ยงตอบนี่แปลว่าอะไรเออให้โกยืมนี่มีฟังจับประเด็นไม่ได้นี่ยแสดงว่า สติสมบชัญญาจำไม่ทันใช่ไหมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าข้าพเจ้าให้เขากู้ยืมหนี้พ่อและแม่ของข้าพเจ้าแก่เท่าวัยหนุ่มสาวไปแล้วก็เลยวัยหนุ่มว้ยสาวไปแล้วข้าพเจ้าเนี่ยข้าบรวงข้าวสาลีไปเพื่อท่านทั้งสองดังนั้นจึงชื่อว่าข้าพเจ้าได้ชาระหนี้ที่ท่านได้ให้กู้ยืมไว้ในการก่อนที่ป่าไม้ยิ้วนั้น และยังมีนอกอื่นอื่นอีกที่ทุโพลภาพเนี่ยมีขนมีปีกหมดสิ้นไปแล้วข้าพเจ้าต้องการทําบุญจึงให้รวงข้าวสาลีแก่นกเหล่านั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าการทําบุญว่าเป็นขุมทรัพย์การให้กู้ยืมหนี้การชําระหนี้ของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าบอกการฝังขุมทรัพย์แก่ท่านขอท่านจงทราบอย่างนี้เถิดท่านโกศลยาพามฟังแล้วก็มีจิตเลื่อมใสกล่าวต่อไปโอ้ปักนี้ ดีนอ่งั้นว่าปักสีคือนกเนี่ยดีมากนกเนี่ยแต่ธรรมะมีธรรมะอย่างยอดเยี่ยมในพวกมนุษย์บางเหล่าไม่มีธรรมะเหล่านี้เจ้าพร้อมกับพวกญาติทั้งหลายทั้งหมดจงกินข้าสาลีตามความพอใจใเถิดจะานกแขกเจ้าเราคงได้พบกันอีกเรายินดีที่จะพบกับเจ้าพยานกแขกเจ้าก็ให้โอวาทว่าข้าพระเจ้าได้กินได้ดื่มในที่อยู่ของท่าน แต่ในเพื่อนบ้านของท่านไม่น่ายินดีนักท่านโกยิยะของท่านจงให้อภัยทานในเหล่าสัตว์ผู้วางอาชญาและจงเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เท่าเถิดโกสิยพราม์ก็ยินดีและก็อุทานบอกว่าวันนี้เราโชคดีที่ได้เห็นนกตัวประเสริฐกว่านกทั้งหลายเราได้ฟังวาจาสุภาษิตของนกแขกเต้าแล้วเราจะทาบุญให้มากจากนั้นพญานกแขกเต้าก็ เทียนพลยสายบินกลับไปสู่อ้อมอกของพ่อแม่ที่กําลังร้องไห้อลัยอวลด้วยที่ไม่แน่ใจแล้วก็ลูกรักเป็นต้นเหล่านี้ด้วยเออถ้ามองอย่างนี้นะานักวิชาการก็บอกการบำเพ็ญอุของพญาโพธิสัตว์เนี่ยท่านเขามองว่าเป็นอุเบกขาบรารมีเห็นเห็นในความหนักแน่นต่อเหตุการณ์เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดและกล่ารสภาวะของเบกขารมในเรื่องนี้ปรากฏในลักษนณะเช่นความอดทนความหนักแน่น แล้วก็ความรู้จักประมาณโดยการรู้จักพอประมาณตนเองมีปรากฏอยู่หลายชาดกนะในกรณีอย่างนี้เ อ, ออย่างนี้เป็นอุเบกขาไหเขาวิเคราะห์กันว่าเป็นอุเบกขาในเรื่องนี้จริงๆก็เป็นนะไม่สทุกสถานไม่กลัวต่อความตายนะวางใจเป็นกลางได้ในขณะที่อยู่ในสถานการณ์ที่คับขำ ม, มาอ๋อยงทีนี้อีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวสรุปตรงนี้ก่อนว่าในเรื่องนี้น่าจะใช้เวลาทันไหมเนี่ยการบำเพ็ญอุเบกขาบารมีของพรหมนารทะเดี๋ยวบอกเกิดของเรื่องนิดนึงนะเล่าน่อยการบำเพ็ญอุเบกขาบารมีของพรหมนาราทะนี้มีบอกเกิดมาจากที่พระบรมศาสดาทรงตัดสรุใ้ใหม่ๆต่อมาพระพุทธเจ้าก็ บ, บําเพ็ญพุทธกิจ สำคัญหลายประการนะประการประกาศาศาสนาสอนปัญญวิธีทั้ง5ก็เทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรใช่ไหมให้กับกรทัญญว่ปะาพัติยามหานามาอัศเชิยแล้วต่อมาสแสดงอนัตต ร, รกนัสูตรถ้าเหล่านั้นได้บรรลุนั่นแหละต่อมาก็ะทรงสอนใครละ่ะพายัสสะกุลบทวิมลลาราสุภาหูปูนาชีเขวาวัมปติพร้อมด้วยสหายตลอดถึงสอนชดิน3พี่น้องพร้อมด้วยบริวานนะห0ึ่งพั 1, ได้ไหม ที่ว่าภูรูเวลากระสปามีบริวาร500นาทีกัะสปามีบริวาร300ขยากระสปามีอวาน200ร้ที่ริมฝั่งแม่น้ำเดรันชาลานั่นแหละซึ่งเสด็จไปเพื่อโปรดชฉดิน3พี่น้องอแล้วก็ชดินเหล่านั้นก็บูชาไฟนได้เห็นในพระเจ้าก็เข้าไปแสดงธรรมแล้วก็มีการแสดงฤทธิ์เพื่อจะกำจัดมิจฉาทิฐิ ของชาดินเหล่านั้นในที่สุดชาดินเหล่านั้นก็หันกลับมานับถือพระเจ้านีเนี่ยนับถือแล้วต่อมาท่านอู่รู้เวลากระสปะได้บรรลุได้กราบทูลพระเจ้าว่ายันทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสและหญิงที่น่าไข้ทั้งหลายข้าพระ อ, องค์รู้ว่าของน่ารักหน้าไข้เหล่านั้นเป็นมณทินตกอยู่ในอุปกิเลสทั้งหลายเพราะเหตุนั้นข้าพระ อ, องค์จึงไม่ได้ยินดีในการเส้นสวงและการบูบูชาเพิงขอพระ อ, องค์ให้ ได้เห็นทำแล้วก็ละงับแล้วได้ไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองกันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ยินดีในการเส้นสวงและการบูชาไปแล้วอยู่ต่อมาพระเจ้าก็แสดงธรรมในที่สุดจริงๆเนี่ยท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุเนาะพอบรรลุแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยพระ อ, องค์ก็ได้ทรงนําเอาเรื่องนะพรหมนารธาตมาตรัสในที่ประชุมนั้นแล้วก็คือที่มาของเรื่องพรหมนารทา เป็นเรื่องการบําเพ็ญอุเบกขาบารมีในข่าวที่สวยประชาติเป็นพรมชื่อวนารทะนารทกับสปาชาดกนี่แหละอ้าวเล่าเลยนะเดี๋ย่อในกาลครั้งหนึ่งมีมาหากษัตริย์ที่บําเพ็ญในที่เป็นพระราชาของแฟนวิเทหะทรงพระนามว่าอังคติเค ย, เคยศึกษาไหมเคยได้อ่านไหมจําไม่ได้พระองค์มีราชธิดาพระองค์หนึ่งมีชื่อว่าพระนาง รุจาราชเทวีนะ่อรุจาราชเทวีมีอมาร์อยู่สามคนวิชยะอมารสุนามะอมารแล้วก็อาราต อ, า ร, านะอาราตเนี่ยอราตอมารวันหนึ่งเป็นวาระกลางเดือน12พระเจ้า อ, องคตินะก็ตรัสถามกลุ่มอมารว่าราตีอันบริสุทธิ์เช่นนี้เราควรทำอย่างไรจึงจะเพิดเพลินยินดี พระ อ, องค์ทรงยินดีตกอยู่ในความเห็นของวิชญาอมาตแนะนําให้ไปหาเหล่าสมณะหรือพรามที่เป็นพระหูสูตรจึงกล่าววันนี้เราทั้งหลายควรพากันไปหาสมณะหรือพราม์ผู้เป็นพระหูสูตรรู้แจ้งอัดรู้พูดแสวงหาคุณก็จัดความสงสัยของพวกเราได้ดีกว่านั้นอราตตาอามาตก็แนะนําให้เสด็จไปหาคุณอาชีวกะก็คือพระ อ, องค์ก็เลยไปหาอาชีวกเนี่ยสนทนากับคุณาคุณาาชีวกะก็มีคําถามแก่คุณาาชีวกะว่า เออนอราชนพึงประพฤติธรรมในบิดามารดาอย่างไรพึงประพฤติธรรมในอาจารย์อย่างไรพึงประพฤติธรรมในบุตรภรรยายอย่างไรคุณอาอาชิวกะกสป่าโคดได้ฟังพระเจ้าอังคติแล้วก็ได้กราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาวพิธขอพระองค์จงสดับทางที่จริงแท้ทางที่จริงแท้ของพระองค์เถิดผลดีผลชั่วแห่งธรรมะที่ประพฤติแล้วนะไม่มีหรอกไม่มี กรรมดีกรรมชั่วไม่มีผลหั้งนั้นเถอะมารดาบิดาแล้วก็ค่าแต่สมมติเทพโลกอื่นก็ไม่มีใครเล่าจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ก็ไม่มีปู่ตายายยายก็ไม่มีมารดาบิดาไม่มีคือคุณนะนะพูดถึงคุณที่ทําต่อมารดาบิดาปู่ตายายายไม่มีคุณาชิดวากาเห็นพระราชานิ่งสดับแล้วด้วยความทึ่งดังนี้แล้วก็รีบกล่าวต่อไปด้วยลำพองใจด้วยปัญญาอันมืดมิดต้องตัวเองนะี่ปัญญาที่มืดมนตัวเองเนี่ยนะ แม้แต่ร่างกายของคนเรล่านี้ที่มันรวมกันด้วย7สิ่งคือดินน้ำไฟลมสุขทุกข์และชีวิตเนี่ยหากเมื่อสูญสลายตายไปแล้วส่วนที่เป็นไฟก็ไปอยู่กับไฟส่วนที่เป็นลมก็ไปอยู่กับลมส่วนที่เป็นน้ำไปอยู่กับน้ำดินไปอยู่กับดินสุขทุกข์ก็ลอยไปในอากาศเช่นเดียวกับชีวิตก็ลอยไปในอากาศบอกงั้นเถอะดังนั้นการฆ่าการตัดชีวิตใครก็ไม่ใช่เป็นบุญเป็นบาปไม่เป็นกรรม สัตว์มนุษย์จะเวียนไหวาตายเกิด8ปสีมหากรอบก็จะบริสุทธิ์เองเมื่อยังไม่ถึงการนั้นแม้สํารวมดียังไงก็บริสุทธิ์ไม่ได้เออพวกนี้เขาเห็นอย่างนี้ด้วยนะว่าบางทีบางกลุ่มเนี่ยกลุ่มนี้บางทีเห็นถ้ามองจากลึกๆตรงนี้แล้วเป็นพวกไอ้กลุ่มศาสลัทิฏฐินะไปเห็นว่าดินน้ําไฟลมสุขทุกชีวะเนี่ยไอตัวเล็กๆ เ, กเกนี่ยมันฆ่าไม่ตาย มันไปเรื่อยไปเกิดใหม่เรื่อยไปเกิดใหม่เรื่อยเมื่อมันครดสิบสี8 4ปดสีมหากรัปแล้วเนี่ยมันจะมันจะพ้นทุกข์เองความเห็นอย่างนี้เหมือนมัคคริโคสาระเหมือนกันกับเออเอาได้เนี่ยมวลวนมวลมวลมวลใหญ่ๆแล้วก็คว้างฟุบไปเนี่ยมันก็จะหมุนปูดไปพอสุดสุดได้พบมันจะหยุดนะพอสุดได้แล้วมันจะหยุดนะ นี <emás>. ่เหมือนกันคนเราเวียนว่ายแต่เกิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันบริสุทธิ์เองทีนี้มันทํากรรมทําอะไรต่างๆทําดีหรือไม่ดีเป็นต้นเหล่านี้มันก็มันก็ก็เลยไปเข้าใจผิดมันบอกว่าอมรรตคนนึ่งชื่ว่า阿拉ตาเนี่ยฟังแล้วก็สนับสนุนตัวตนเองเนี่ยเห็นอย่างนั้นจริงๆเขาอ้างถึงการระลึกชาติว่าชาติที่แล้วเนี่ยตนเองเป็นคนบาปเป็นคนใจบาปฆ่าสัตว์รักทรัพย์เนี่ยว่างั้นชื่อปิงคละ ฆ่าโคขายมีนาชีพเป็นนักฆ่าชาติต่อมามาเกิดในกุฎบทนะว่ า, างั้นเถอะมาเกิดในตระกูลดีด้วยนะมาเกิดในเสนาบดีจนมียศจนถึงทุกวันนี้ไม่เห็นว่าต้องไปตกนโลกหมอกไหมอะไรเลยเนี่ยระลึกอาศัยการระลึกชาติทวนหลังได้ก็แสดงว่าบาปบุญมันไม่มีจริงอย่างที่อาจารย์บอกว่ า, างั้นเถอะเพราะหากบาปบุญมีจริงตนเองก็ต้องไปตกนโลกหมกไหมแล้วแต่ในทางเห็นความเป็นจริงไม่ใช่เลยว่างั้น阿拉ตะหมานก็บอกว่าเออเนี่ย เป็นคนระบุในตระกูลดีเนื่องจากในที่จริงเนี่ยท่านะละลึกไอ้เจ้าเนี้ยละลึกไม่ได้ว่าในสมัยพระกัปสปะสามาสมุวิชชาเนี่ยเคยถวายพวง อ, อังกาบบูชาพระเจดีย์พอตายไปแล้วก็ต่อมามาเกิดเป็นปิงเคียปิงปิปิงฆ่าไอ้ฆ่าโค ข, ขายแต่อา น, นิสงส์ในพบที่เคยถวายพวงอังกาบเนี่ยทำให้มาเกิดเป็นเสอมามัดในในชาติพบนี้ แต่ไอเจ้านี้ระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวใช่ไหมว่าเออระลึกในในชาติที่ตนเองมาเกิดเป็นคนค่าโคขายฆ่าสัตว์แต่ทําไมมาเกิดเป็นอามตาะแต่ร ะ, ะลึกชาติถัดไปไม่ได้ว่าตนเองเคยทําความดีอะไรเนี่ยไอลักษณะอย่างเงี้มันเป็นความเห็นผิดเพราะการระลึกชาติได้เพียงชาติเดียวที่มองเห็นนะต่อมามีบุตรว่าชีวชีวากะเนี่ยไอบุตรบุตรช่างหม้อ เป็นคนยากไร้ได้ฟังปั๊บร้องไห้เลยเจ้าเนี้ยพอได้ฟังที่ไอ้เจ้าคุณนาอาชีวกะเนี่ยไอ้เจ้านักบวชเห็นผิดคนนี้มิจฉาทิฏฐิคนนี้สอนเนี่ยร้องไห้ขึ้นมาเลยว่าพระราชาก็ตัสถามว่าชีวกะนี่เองร้องไห้ทําไมาเนี่ยก็บอกว่าตนเองเสียใจนักวังนั้นนะแม้ข้าพระพเจ้าก็ยังระลึกถึงความสุขในชาติก่อนขอเขาแต่เองได้คือในชาติที่แล้วเนี่ย ข้าพระเจ้าได้เคยเกิดเป็นเศรษฐีว่างั้นนะมีชื่อว่าภาวะเศรษฐียินดีคุณธรรมมีคุณธรรมมากอยู่ในเมืองสาเกตข้าพระเจ้านั้นน่ยได้รับการยกย่องจากพราหมและข้าวดียินดีในการบริจาคทานมีความมีการงานที่สะอาดว่างั้นเถอะว่างั้นนะระลึกถึงบาปรกรรมชั่วที่ตนเคยทําไว้ไม่มีเลยว่างั้นนะข้าแต่พระเจ้าวิเทหะข้าพระเจ้าเนี่ยจติจากชาตินนั้นแล้วมาเกิดในครันของ ปุมพระทาสีมาเกิดมาเกิดเป็นในท้องของทาสีของอะไรเนี่ยของคนคนเคทานเนี่ยยากจนในกรุงมิถิลาเนี่ยตั้งแต่เวลาที่เกิดมาข่าพรเจ้าเป็นคนยากจนเขินใจตลอดมาแสดงว่าบุญบาปนะ่ยมีจริงหรอกถ้าความจริงอะ่ะบอกงั้นนะถ้าตนเองบุญบาปมีจริงอะ่ะในชาติที่ตนเองระลึกได้เนี่ยตนเองทําดีมาตลอดใช่ไหมชาติที่แล้วเนี่ย แล้วทำไมความดีมันไม่ให้ผลทานก็ให้ศีลก็รักษาบริจาคอยู่เนืองนิดใครๆก็ยกย่องเป็นคนดีไงมาเกิดในท้องของนางทาสีที่เราบอกนนียเนี่ย ย, ยืนยันอย่างเงี้ยนีเนี่ ย, ยลักษณะเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยในความจริงเนี่ยนะเป็นยังไงเออชาติเดิมของชีวากะเนี่ยเป็นคนเลี้ยงโควันหนึ่งโคหายก็ดุโคหายตอนนั้นมีพระภิกษุเดินมาเนาะผ่านมา ก็เลยด่าพระทนการด่าพระเนี่ยผ่านถามห น, นทางตายไปจนว่การด่าไปตาหนีพระโกรธที่ว่าพระให้คำตอบไม่ถูกใจเนี่ยแหละตนเองระลึกไม่ได้ในชาติที่ตนเองเออตนเองเคยด่าพระเนี่ยแต่ระลึกชาติเดียวได้ที่เกิดเป็นเศรษฐี นี่พอมีคนสนับสนุนอย่างนี้ปุ๊บพระเจ้าอังกติราชเนะี่ยพอเชื่อถือคําของคุณคุณอาชีวกะก็ตัดแก่ชีวกะว่าเออพระองค์ก็บริจาคทานไปแล้วเหมือนกับเหมือนกันนับเป็นทางที่ผิดอการให้ทานของเราเนี่เป็นนนทางที่ผิดการรักษาศีลของเราก็เป็นช่องทางที่ผิดโอ้พระองค์หาความสุขให้ตัวเองนับตั้งแต่วันนี้ดีกว่าเมั้งนนะแล้วก็ไม่มาสํานักนี้อีกเลยเดินหนีไปเลยตัดตรงนี้แล้วก็ ทำความกระลบชีปเปื่อยเสด็จกับทันทีเลยว่างั้นเถอะไม่ได้ทำความกระลบแล้วไม่กลาบไ้ทำไมใช่ไหมไอ้เจ้นี้สอนอย่างนี้ใช่ไหมเออจะเตะ ก, ก็ได้จะฆ่าก็ได้บาปบุญมันไม่มีอะไรหรอกว่กลับมาสู่วังโอ้โหแต่เนี้ยจัดงานหรลรสอบรื่นเริงโอ้โหมีดนตรีมีนางสนมกำ น, นัน จัดอาหารไมอ่อันเป็นว่าราชกิจแล้วไม่เข้าลงทานไม่เข้าลงสลาธรรมไม่ฟังธรร ม, มะแล้วเปลี่ยนนิสัยไปเลยเนี่ยน่ากลัวไหมทาชั่วได้ทุกอย่างเลย น, ะนี่นางลูกสาวสิชื่อนางรุจารุจาร์ก็ต้องเข้าไปเฝ้าเป็นประจําทุกสิบ้าวันพอได้ข่าวเงน้นปุ๊บก็เข้าไปหาพระเจ้าอังคติเนี่ย โอ้โหไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปหลงไหลในกามบุคลหลงไหลในมาตุภามเป็นต้นเหล่านี้แล้วนางก็เลยคิดต้องการจะปลดเปลื้องเนี่ยความเห็นของพ่อเนี่ยนางก็นางเนี่ยเป็นคนสามารถระลึกได้ตั้ง14ชาตินางก็เลยบอกว่าลึกชาติที่ตนท่องเที่ยวมาเนี่ยแล้ว7ชาติและรู้ว่าชาติที่ตนเองจุดติจากโลกนั้นแล้วมาเกิดในเออแล้วก็เกิดในอนาคตอีกอีกเชาติดังนั้นแหละ นางก็ไปเฝ้าบิดาชี้เรื่องบาปุลคุณโทษประโยชน์แล้ไม่ใช่ประโยชน์ดังชาตินี้ชาตินายฟังตัดเล่าถึงบา ป, ปรกรรมตนเองนะว่างั้นเธอหม่อมชั้นชาติหนึ่งนะจุติชาติเคยเกิดเป็นลานะแล้วก็แล้วก็ได้ไปเกิดเป็นลิงในป่าใหญ่ถูกหัวหน้าฝูงในตัวขนองเนี่ยมันกัดลูกอันทะนี่เป็นผลกรรมที่ล่วงละเมิดภรรยาของคนอื่นของหม่อมชั้นถึงแม้กันนั้นพระนางรุจิยาก็ไม่สามารถทําให้พระราชบิดาเนี่ยคลายความเห็นผิดได้ว่างั้นเธอ ทำยังไงก็ไม่สามารถจะในที่สุดจริงๆเนี่ยในตอนนั้นน่ยนะพระธิดาเนี่ยก็กราบตั้งสัจญาธิฐานขอให้ทวยเทพเทวดาพรหมทั้งหลายเนี่ยบอกว่าให้มาสอนบิดาตัวเองให้พ้นจากมัวเมาด้วยอำนาจวิชาทิฐิด้วยเทิดด้วยอำนาจของเทพเทวดาท้าจตุโลกบาลท้ามหาพรหมเป็นต้นผู้ตั้งอยู่ในธรรมนะ่ยขอให้มาช่วยบิดา ให้หายจากความมัวเมาหายจากความมืดมิดหายจากมิชาติที่ฐีนางก็เลยตั้งสัจจะญาติฐานขึ้นมาในตอนนั้นพรมนารทะก็คือพระบริษัตวเกิดเป็นพรมนี่แหละก็จำแลงกายเป็นฤาษีมาเฝ้าพระเจ้า อ, องคตินะลออยู่บนไอากาศเนี่ยพระราชาก็ตรัสถามนารทะบอกว่าฉไหนพรมจึงเหาได้นารทาก็กล่าวก็ทูลบอกว่า พระองค์บำเพญ็ญคุณธรรมสีประการคือสัจจะธรรมะธรรมะแล้วก็จาคะสัสจจะคือความจ ร, รมิงธรรมะนี่คุณธรรมอะไธรรมะการฝึกนี่นะจาระกการการสละกอาตมภาพได้ทําไว้แล้วในพบก่อนด้วยคุณธรรมที่อาตมาภาพได้ทําไว้ในพบนั้นมาดีเนี่ยนะจึงสําเร็จทันตาเห็นว่างั้นเถอะพระเจ้าอังคติจึงได้ถามนารทาบอกว่าที่ท่านพูดกันว่าเทวดามีมารดาบิดาโลกนี้โลกหน้าจริงหรือเปล่านารทาก็ตอบบอกว่าพระองค์พระเจ้าอังคติ ถ้าท่านเชื่อว่าปารโลกมีจริงสัตว์ที่ตายไปแล้วก็ต้องมีอยู่ในปารโลกขอท่านจงให้ซับว่างั้นเถอะขอท่านจงให้ซับห้าร้อยแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้แหละข้าพเจ้าจะจะให้แก่ท่านพันหนึ่งในปารโลกนะั้นว่างั้นเถอะขอซับหน่อยถ้ามันมีจริงนะแล้วถ้าไปสู่ปารโลกนั้นจริงจรแล้วเนี่ยเราจะให้ซัพย์่นแร้วท้าษีก็ตอบว่ามหาวพิธหยาบช้า สองจุดติจากโลกนี้แล้วทําบาปขนาดนี้ตายจากโลกนี้เมื่อไหร่ก็ต้องไปลงนรกใครเล่าจะพึงไ ป, ไปทวงทรัพย์ห0ึ่ในบาโลกจากท่านเล่าลว่าเดี๋ยวท่านตายเมื่อไหร่ท่านก็นลงนรกเล้เนี่ยใช่ไหมเมื่อลงนรกแล้วเนี่ ย, รยพระเจา้าอังกฤก็กลัวในบาปที่ทําขึ้นนาราธิวาสีก็ขยายความต่อไปผู้ใดในโลกนี้ไม่มีศีลธรรมเลยประพฤติชั่วเกียดค้านมีกรรมที่หยาบบัณฑิตทั้งหลายไม่ให้กู้หนี้ในพู้ น, นั้นหรอก เพราะจะไม่ให้ทรัพย์คืนจากจะได้คราบคืนจากคนเหล่านั้นได้อย่างไรมหาบพิษจุดตีจากที่นี่แล้วก็ทอดไปเนี่เห็นพระองค์เองอยู่ในนรกผู้ที่ถูกฝูงกายื้อแย่งฉุดค่าอยู่ใครเล่าจะไปทวงทรัพย์ึ่งพกาบนะในปาราโล ก, กมหาุพิษผู้ตกอยู่ในนรกทีถ่ถูกกาบางแร้งบ้างถึงหรือสุนัข ก, กัดกินอยู่ตัวก็ขาดกระจัดกระจายเลือดก็ไหลโสมในโรอการตะรานารกก็มืดมิด ไม่มีดวงดาวไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์โลแันเตเรีย ม, มืดมิดอยู่เป็นนิดน่ากลัวกลางคืนกลางวันไม่ปรากฏเนี่ยผู้ต้องการซรับใครเราจะไปเที่ยวถามไปทวงในสถานที่นั้นได้ในโลแกนเตเรีนลกมีสุ น, นัขอยู่สองตัวนะบอกงั้นสุนัขตัวด่างกับสุนัขตัวดําค้ำเนี่ยมีตัวกํายำล่าสันแข็งแรงพากันใช้เขี้ยวเนี่ยเหล็กกัดผู้ที่จุติจากโลกมนุษย์นี้แล้วก็ไปเกิดไปตกนรกเนี่ยคือตายจากมนุษย์แล้วไปตกนรกอยู่นั้น ใครจะไปทวงทรัพย์ 1,000 ในปารโลกกับหมาบวพิษฝูงสุนัขทารุณโหดร้ายตัวนำทุกมาให้รุมกัดกินอยู่ในนรกจนตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโซมแล้วก็นรกที่โหดร้ายมีพวกนายนิรบาลชื่อว่ากาละและอุปกาละพวกเป็น่าศึกใช้ดาบหอกในที่รับฟันอย่างเี้ยเชื้อเฉือนทิ่มแทงคนที่ทำกรรมชั่วไว้ในพก่อนครจะไปทวงถามเอาทรัพย์ห0 0ในปารโลกกับหาบวพิษที่ถูกทิ่มแทง ที่ที่หน้าอกน่ยหรือที่หลังเป็นต้นเหล่านี้ที่อุทธรเป็นต้นวิ่งไปมาอยู่ในรกมีตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมในโกกนรโกาติรกฝนหาเนี่ยหาฝนเนี่ยนะต่างๆกับฝนหอกฝนดาบฝนลาวทั้งหลายเหล่านี้มันพุ่งลงมาเป็นเต็มศีรษะไปหมดอย่างนี้เนี่ยเหมือนอัศนีบาดเหมือนฟ้าผ่ากับบุคคลที่ทํากรรมหยาบช้ามีลมมีลมที่ร้อนยากที่จะทนได้สัตว์ในดรกนั้นนะครับ ไม่ได้รับสุขเวทนาแม้แต่น้อยใครจะไปทวงเอาทรัพย์ในป่ละโลกนั้นทิ้งไม่มีที่ซ่อนใครเล่าจะพึ่งไปทวงเอาทรัพย์ในห0ึ่ในป่ละโลกเป็นต้นเช่นนี้พระราชาฟังแล้วเงียบนิ่งพระนาราธาก็ทรงกล่าวสื่อไปว่าถ้าพระราชาหลงผิดในทางอบายมกเว้นธรรมเช่นนี้เมื่อตายไปแล้วก็เกิดในนรกทุกทรมานไม่รู้สิ้นสุดพระราชาได้สดับปุ๊บแล้วก็หวาดวันสะท้อนตกพระไทยอันนี้ย ตรัดความกลัวลั่นออว่าเรานี้เป็นคนหลงมัวเมาในทางที่ผิดเราไม่อยากตกในรกเลยท่านนาราธขอท่านจงบอกทางบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าโดยที่ข้าพเจ้าจะไม่พึงตกไปในรกเถิดจากนั้นนารทาก็ให้พระเจ้าอังคติเนี่ยตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิแล้วก็เสด็จเข้วิมานเลยเนี่ยเออสิ่งที่นารทธาท่านพูดอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยพรอมนารทาก็คือการครบมิตร หลักธรรมที่ปรากฏในเรื่องการบำเพ็ญอุเบกขาของนารทะนี่เรื่องก็คือการครบซึ่งหลักธรรมเรื่องการครบมิตรก็ถือว่าเป็นหลักธรรมที่สําคัญมิตรเนี่ยหมายถึงผู้ที่มีความรักมีความสัมพันธ์หรือเมื่อรวมกันและจึงมีความหมายตามรูปศัพท์ผู้มีความรักความสัมพันธ์อันดีงามหรือมิตรที่มีความงามทําให้ความเจริญแก่บุคคลผู้คบห า, าสมบูรณ์ บุคคลที่มีความสมบูรณ์ในศีลกาจัดทุกนําประโยชน์เกื้อกูลไม่ให้เพื่อนเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกมิตรสามารถนําประโยชน์เกื้อกูลทั้งหลายมาให้ทีนี้มีพุทธพธ์ท่านบอกว่าเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียมพุทธพศบอกว่าบุคคลชื่อว่าเป็นมิตรเพราะเดินร่วมกัน7จเก้าเท่านั้นนะเดินร่วมกัน7จเก้าเนี่ยถือว่าเป็นมิตรชื่อว่าเป็นสหายเพราะเดินร่วมกัน1 2บเก้าเออเดินร่วมกัน1 2บสก้าเป็นสหาย และชื่อว่าเป็นญาติพราะอยู่ร่วมกันหนึ่งเดือนหรือครึ่งเดือนชื่อว่าเสมอกับตอนพ่ออยู่ร่วมกันนานยิ่งกว่านั้นพอเข้าใจคำนี้ไหมพอเข้าใจไหมเจ็ดเ้าสิบสองเหนึ่งเดือนหรือครึ่งเดือนหรือถ้านานกว่านั้นถ้านานกว่านั้นน่ยถือว่าเป็นชื่อว่าเสมอกับตนเองพ่ออยู่ร่วมกันนานยิ่งกว่านั้นนั้นเดินร่วมกัน เดินตามกัน7จเก้าเนี่เป็นเป็นมิตรกันแล้วสิ 12, เป็นทหายถ้าตั้งแต่1เดือนหรือเดือนตั้งแต่ครึ่งเดือนเป็นต้นไปตั้งแต่ครึ่งเดือนลงมาเนี่ยไปถึงครึ่งเดือนเนี่ยอันนี้เป็นญากถ้ามากไปกว่านั้นก็จะเสมอตนเออถ้าในความหมายว่ามิตรเนี่ยเพื่อนผู้มีความเยื่อใยดีผู้มีน้ําใจเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ย การพุทธทาสท่านก็พูดดีนะเพื่อนภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเพื่อนหรือเกอเนี่ยเพื่อนเนี่ยคนที่ทําอะไรถูกใจตนก็เรียกว่าเพื่อนแต่เพื่อนหรือสหายในทางธรรมะหมายถึงธรรมะเนี่ยหมายถึงอะไรธรรมะที่ทําให้พ้นทุกข์คือสามารถบอกทําไมให้พ้นทุกขนะ์ใครก็แล้วแต่บอกศีลสมาธิปัญญานะีบอกศีลสมาธิปัญญาให้กับเราบอกอริยมัชมีองค์8ดให้กับเรานะี ถ้าเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นเพื่อนที่ถูกต้องถ้าในมงคลสามสประการก็จะมีว่าไม่ครบคนพาลครอบบัณฑิตใช่ไหมเนี่ยาการไม่ครอบคนพาลและครบบัณฑิตเนี่ยถ้าดูในพระไตรปิฎกท่านจะพูดถึงในเรื่องของพระเจ้าเนี่ยเป็นยอดกัลยาณมิตรบุคคลใดได้คบพระพุทธเจ้าใช่ไหมได้มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้ว บุคคลนั้นจะพ้นจากชาติชราพญาทีมรณะโสกกาปริเทวทุกขโทมนะศาสตร์อุปายาตมิตรดีในที่นั่นหมายถึงมิตรที่มีคุณธรรมมีศีลเป็นต้นสหายดีหมายถึงเพื่อนร่วมงานที่ดีเพื่อนดีก็หมายถึงเพื่อนที่รักใครสนิทสมคุณเคยกันซื่อสัตย์ต่อกันพรหมจันทร์ในที่นี้หมายถึงอริยมรรคมีโสดาปาริมรรคสกาธาคายมารรคอนาคาอราธมารรคเนี่นี่คือพรหมจันทร์ คนที่ถึงบอกว่าเป็นมิตรดีสหายดีทั้งหลายเหล่านี้เขาก็คือนําไปสู่เนี่ยโลกุตรธรรมนี่แหละในพระสูตรนี้ท่านพูดถึงในเรื่องของออพระเจ้าอังคติเนี่ยท่านมีมิตรชั่วท่านมีอมาตอยู่สามคนใช่ไหมวิชยอมาตสุนาสุนามะอมาตอาราตาอมาตเนี่ยทั้งสาคนเนี่ยเป็นผู้แนะนําให้พระท่านไปหาคุณาชีวกนักบวชชีปเปยืย ที่มีความเห็นว่าขาดชูนศูนย์บ้างเป็นนาิกทิฐิด้วยคือมีความคิดว่าบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีเป็นต้นและยังมีความเห็นสลับข้าคาวไปเกี่ยวกันในเรื่องของการว่ามันจะบริสุทธิ์เองด้วยนะเป็นสังสารสุท ธ, ธิด้วยคิดว่าถ้าเวียนว่ า, ายตายเกิดครบแปมหากับแล้วเนี่ยมันจะบริสุทธิ์เองอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีคนมายืนยันที่คนระลึกได้เพียงชาติเดียวเป็นต้นเหล่านี้ยโดในวันรุ่งขึ้น อ้อ ม, มาดเนี่ยไอพระราชาก็เลยให้ที่บอกว่าหลังจากไปหาแล้วเนี่ยกลับมาก็มาทำชั่วนี่แหละรับสั่งให้อ ม, มาดเหล่านั้นพากันดื่มกินทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้ น, นตเนี่ยการคอบมิตรต่ลักษณงนี้เป็นผลเสียแล้วอยู่ต่อมาจนจนในพระนารถากษัตเนี่ยมาแก้ทิฏฐิของพระเจ้าอังคติเนี่ย ในเรื่องของพรมนาฎทานนั้นเนี่ยนอกจากจะมีหลักคําสอนเกี่ยวในเรื่องมิตรแล้วเนี่ยท่านก็สอนในเรื่องของการเมสุมิชฌาจาร์คือการประพฤติพฤติประเวณีเนี่ยเออตรงนี้การเมสุมิชฌาจาร์การประพฤติผิดในกามนี่แหละแล้วท่านพูดโทษเขาไวน้นะก็คือบุคคลไม่ควรเกี่ยวข้องนีในเรื่องเพศมีจิตคิดจะเสพพยายามเสพแล้วก็เพศแล้วก็มีเพศไอตัวเพศนั้นเข้าชนกัน นี้ในเรื่องนี้ให้สังเกตดูนะว่าในเรื่องนี้พอพระนางพระนางรุจาเนี่ยที่เป็นราชธิดาของพระเจ้าองคติบอกว่าท่านพูดถึงลำดับกรรมชั่วที่ท่านทําท่านบอกว่าฉันก็ทํากรรมมาแล้วตอนนั้นเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยไปประพฤติผิดในภรรยาของผู้อื่นในคว้านมาโคตผลแห่งกรรมนั้นตามมาถึงหม่อมชั้นกรรมนั้นก็ถึงถึงหม่อมชั้น เหมือนยาพิษที่ชั่วช้าก้าแข็งร้ายกาดกําเริบแก่บุคคลที่บริโภคว่าเง้นชาติหนึ่งมาเกิดเป็นแพะให้คนทั้งหลายเนี่ยขึ้นขี่หลังแพะแพ้นั้นก็เทียมก็คือต้องทรมานจากการต้องลากยานน้อยใหญ่นะั่นแหละหม่อมชันพาลูกผู้ดีทั้งหลายเนี่ยไปบนหลังบ้างโดยรถบ้างนี่เป็นผลแห่งกรรมที่ไปคบชู้ภรยาคนอื่นโอ้โหต้องไปเกิดเป็นควายเกิดเป็นแพะเนี่ยนะ แล้วก็จุดตีจากชาติที่เป็นแพะแล้วก็ถือปฏิทิในกาเนิดของลิงป่าพอมาเกิดเป็นลิงวันหนึ่งมฉันมาเกิดเป็นลิงแล้วเนี่ยไอ้พวกลิงเหล่านั้นนำฉันไปนแสดงแก่ลิงผู้เป็นนายจ่าฝูงที่นีลิงที่เป็นนายจ่าฝูงกล่าวว่าจงนำบุตรมาให้เราแล้วก็จับไว้แล้วก็กัดลูกอันทะ เพราะ เ, เ, เขาต้องทำลายใช่ไหมกลัวมันจะโตมาเป็นมาแย่งหนะัวหน้าลิงก็กัดลูกอันท้าขาดเลยนี่เนี่ยว่าจะร้องขนาดไหนดิฉันจะร้องว่าเขาระลึกชาติได้เนี่ยร้องอยังไงเจ้าลิงจากฝงก็ไม่ปล่อยเนี่ยต้องพราหลังจากจิตติจากชาตินั้นแล้วเนี่ยก็ไปเกิดเป็นลิงอยู่ในป่าสูงก็ถูกลิงนายฝงเนี่ยขนองปากขบลูกอันท้าอีกนี่เป็นผลกรรมที่ไปครบชู้ภรรยาคนอื่นเขา จุตติจากชานั้นแล้วก็มาเกิดเป็นโคถูกเขาตอนถูกเขาตอนนั้นต้องเทียมนะต้องเทียมยานเลยไปสู่ที่ต่างๆเนี่ยเนี่ยเป็นกรรมที่จะ ก, การครบเมื่อจุตติจากชาตินั้นโคลท น, นแล้วก็มาเกิดเป็นกระเทยนาตโกลที่มีพอค่าสมบัติมากในแคว้นวัชีเขาบอกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ยากเลยจริงๆ เนี่ยนี่ผลผลกรรมของการที่หม่อมชันเนี่ยเคยครอบโชว์ผู้อื่นม า, างั้นเนี่ยนางก็เลยกล่าวพูดถึง เ, เรื่องของว่ากล่าวให้พ่อฟังแน่อยกระทำผิดข้อกามเมเนี่ยของนางลูจาเนี่ยส่งผลให้เกิดตามลำดับก็คือหนึ่งำประพฤติการเมสุมิชชาจารและจุติจากพบนั้นเกิดเป็นแพ้ให้คนขี่ใช่จุติจากนั้นเราไปเกิดเป็น แล้วก็ไปตกนรกชื่อว่ามหาโลาา ล, ลัวนรกหลุดจากนรกมาแล้วก็มาเป็นลิงป่าถูกหัวหน้าลิงกัดกัดลูกอังท้าแล้วก็ไปเกิดเป็นลิงป่าอยู่ในป่าสูงถูกหัวหน้าลิงกัดลูกอังท้าอีกใช่ใจอก็จุดติจากชาตินั้นแล้วก็มาเกิดเป็นวัวโตขึ้นมาก็ถูกเขาต่ออีกพอจากนั้นแล้วก็มาเป็นกระเทยเป็นบันดอกเนี่ยครพิจารณาดังนี้จะเห็นว่าการประพฤติผิดในการมเนี่ยมีโทษ ไม่ได้มีโทษแค่ปจัจจุบันชาตินะมันติดต่อไปหลายชาติเลยเนี่ยมองเห็นยังเนี่ยท่านก็บเรากำของท่านเชื่อไหมเคยทำกรรมข้อนี้ยังบอมเคยทำยังเคยเปะเกิดมาไม่เคยได้เคยไหมเนี่ยกรรมพวกนี้อันนี้ก็ต้องพยายามละให้ได้ เออนี่ท่านจะเล่าเรื่องนี่อเบกขาบารมีเห็นไหมเวลาท่านสอนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยท่านเล่าเรื่องเหตุเรื่องผลให้ฟังเบ็ดเสร็จเลยถึงแม้ว่าจะละได้ไม่ได้ก็เรื่องของเขาเมื่อเราสอนแล้วก็วางใจเป็นกลางนะเออเลยไม่ได้สรุปเอาไว้ตอนอาจจะเย็นๆก็ได้นะียค่อยสรุปในเรื่องของอเบกขาบารมีวันนี้ไม่ฟังไม่ทันเลยนะเวลาหมดก่อนโอเค